บทที่193กองทัพเตรียมยาตรลาเคลื่อนขบวนออกจากที่ในตอนเช้าระหว่างเตรียมการซึ่งอาศัยเวลาเพียงเล็กน้อยนี้ระพินออกสำรวจสอบถามและย่างเสียงบรรดาทหารน้อยใหญ่เพื่อประเมินผลเสียหายของกองทัพระหว่างที่กองโจรเข้าโจมตีเมื่อคืนนี้แล้วนํากลับมาแอบรายงานให้เจ้านายของเขาัรา์ทหารหลวงตายทั้งหมดร้อคนครับ ฝ่ายโจนตายเพียง20นักโทษทั้ง6 น, นั้นหนีรอดปลอดภัยไปได้หมดทุกคนกระโจนถูกเผาส2องหลังแต่ดับกันทันความจริงนะทหารหลวงจะตายมากกว่านี้แหะครับถ้หาหักกุตมะไม่สั่งให้รหัสยะถอนทหารที่ออกติดตามกลับเข้าที่ตั้งซะก่อนเพราะมีพลธนูของฝ่ายโจนอีกนับร้อยคอยดักยิงสกัดอยู่แล้วทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นยินดี ในส่วนลึกของจิตใจนะเข้าข้างพวกโจรหรือกองทัพประชาชนอย่างเต็มที่ดีสนวาหน้ามันชัยันพูดออกมาอย่างสาใจบนหัวเราะนี่มันแสดงให้เห็นชัดเลยทีเดียวนะว่าระหว่างทหารหลวงพวกนี้นะกับกองทหารโจรฝีมือและยุทธวิธีในการรบเทียบกันไม่ได้เลยอัตราตายของฝ่ายทหารหลวงเป็นเจ็ดเท่าเศษของฝ่ายโจรเรียกว่าหนึ่งคนนะสามารถแลกได้ถึงเจคนกว่า ซ้ำยังเอานักโทษหนีลอยนวลไปได้ซะอีกสังเกตดูกองโจนพวกนี้นะคล่องตัวเหลือเกินคงจะเป็นหน่วยจูโจมที่ฝึกกันมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะทีเดียวน่าเสียดายนะมาเรียว่าอย่างมันเขี่ยวแทนบุกทะลวงกันเข้ามาจนถึงใจกลางทัพแบบนี้แล้วมันน่าจะเข้าถึงตัวรหัสสยัคตัดหัวซะให้ได้ก็นั่นนะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ ดารินสนับสนุนตาของหล่อนเป็นประกายแวววาวเมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่แรกนะฉันคิดว่ารหัสสยะเป็นคนเก่งกล้าสามารถเป็นคนมีฝีมือในเชิงอาวุธสมกับเป็นจอมทัพโถ่ที่ไหนได้เขาขี้คลาดที่สุดระหว่างที่พวกโจรเข้าโจมตีเน่ะทหารองครักษ์ของเขาเป็นร้อยๆห้อมล้อมจอมทัพไว้ใจกลางตัวรหัสสยะเองก็ดูท่าจะตกใจอยู่ไม่ใช่น้อย ได้แต่แกว่งดาบปากตะโกนเยว้วเยวอยู่กลางที่โอมถ้าพนันกันได้เลยว่าถ้าได้เผชิญหน้ากับแม่เสือรไรเมยานีนั่นตัวตัดตั ว, ตวฮฉันว่าไอ้อ้วนอะหัวขาดแน่ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี่ก่อนหนะ้าที่ระพินจะฉุดให้หนีกลับมาในแคมป์แล้วแล้วหล่อนก็เท้าความไม่พักพวกทุกคนทราบถึงความเป็นไปว่าหนื่งมาจากเหตุไรทั้งหล่อนและระพินถึงได้ออกจากกระโจมไปพบกองเลือดของทหารยามที่พวกกองโจรดอดเข้ามา เก็บเงียบกองอยู่หน้ากระโจมนั่นเองและพบสิ่งพิรุษ ช, ชวนสงสัยหากยังไม่ทันจะสังเกตอะไรได้มากเหตุการณ์ายก็ระเบิดขึ้นซะก่อนตำตาจนสับสนไปหมดไม่รู้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายใดท่าลงแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วละ ว, ว่ากำลังโจนะคอยเกาะติดกองทัพใหญ่นี่ประดุดหมาจิ้งจอกที่คอยดักจะเล่นงานอยู่เสมอทีเดียวอาจเข้าเล่นงานเมื่อไหร่ก็ได้ และการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้ก็ได้ผลอย่างเต็มที่ถือโอกาสตอนรหัสเสยชล่าใจคิดว่าพลายพลของตนยกมาเป็นทัพใหญ่กำลังโจนส่วนน้อยคงไม่กล้าเชษฐากล่าวแล้วถามระพินต์ตอไปว่ามีทหารโจนคนไหนเสียท่าถูกจับเป็นอีกบ้างไหมระหว่างการประจันบานเมื่อคื น, น, นไม่มีเลยครับที่พลาดก็ถูกอาวุธตายหมดส่วนมากนะถูกธนูยิงมาจากเบื้องหลัง ในขณะที่ควบมา้าหนีและในจำนวนที่ตายเหล่านั้นก็ไม่มีนักโทษทั้งหกคนด้วยครับสังเกตสีหน้าท่าทีรหัสเสีเป็นยังไงบ้างล่ะเช้าวันนี้พบหน้ากันแล้วหรือยังดารินถามยิ้มยิ้มผมไม่อยากดูหน้าเขาเลยครับเขาโกรกแค้นมากงุ่นงานแล้วก็พรุษสว่าตลอดเวลาระหว่างทางที่เราติดเป็นเฉลยไปในวันนี้ ได้ทราบข่าวว่าจะมีการกวาดล้างหมู่บ้านที่ผ่านไปทางเบื้องหน้าตลอดทางอีกเพราะถือว่าเป็นพวกสนับสนุนพวกโจรแต่ทาหารบางคนบอกกับผมว่ามันคงจะยากใช่แล้วละ่ะอย่างน้อยที่สุดกองโจรเมื่อคืนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านที่อยู่ในหมายกำหนดการของราษยะอาถาทางแก้ไขโดยการต้อนคนอพยพหนีออกก่อนก็ได้และยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าก่อนถึงพระนครมรกต จะถูกซุ่มโจมตีบริเวณไหนอีกตอนนี้นะักกองทัพหลวงจะประมาทไม่ได้ใสแล้วล่ะครับดีดาลินกระแทกเสียงหนักๆอย่างพอใจแต่มันขัดใจอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นแหละที่แงซ า, ายทำไมทำไมไม่ยอมส่งข่าวอะไรเรารู้บ้างเลยสักนิดเดียวก็ยังดีสินะ่ะเช้าวันนี้อาการของกุตมะดีขึ้นมากจนสามารถถึงขั้นลุกขึ้นเดินไปในระยะใกล้ๆได้ เขาไม่พูดอะไรกระใครอีกทั้งสิ้นเว้นแต่จะตอบเฉพาะอาการเจ็บป่วยหากถูกซักถามจากหมอดารินสีหน้าและแววตาของขุนพลเท่าเครียดขึ้ภายหลังอาหารเชา้ารหัสเยะผู้ซึ่งไม่ได้โผล่เข้ามาให้เห็นอีกเลยทรงทหารสนิทเข้ามาดูอาการและสอบถามกุตมะอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นสัญญาณการเคลื่อนขบวนก็เริ่มต้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ดารินขอร้องตกลงกับอุปราชพระอนุชาไว้คือมีเกวียนพิเศษมีหลังคาพร้อมเล่มหนึ่งเป็นที่บรรทุกกุฎมะผู้จะนอนพักผ่อนสงบอารมณ์ไปตามสบายเทียมด้วยม้าศึกขนาดใหญ่สองตัวซึ่งหมอดารินถือสิทธิ์ว่าจะปีนขึ้นไปนั่งบนเกวียนเพื่อตรวจดูอาการและรักษาพยาบาลขุนพลเท่าเมื่อใดย่อมได้ทั้งสิ่นอกจากนั้นก็เป็นเกวียนขนาดย่อมอีกเกวียนหนึ่ง ซึ่งสัมภาระทุกชนิดที่พวกบุญคำขยินเกิดเสยและสางปาคอนหรือแบกหามกันอยู่ใช้บรรทุกของเหล่านั้นไปไม่ต้องแบกหามกันให้เหนื้อแรงเป็นภาระอีกแล้วยกเว้นดาบและของจําเป็นเฉพาะย่ามติดตัวพวกพรานพื้นเมืองเหล่านั้นทาหน้าที่คุมเกวยนสัมภาระเหล่านั้นไว้โดยรอบไม่ยอมไม่ทหารคนใดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้โทรมนีสูบซิวะ ตั้งแต่ออกจากบ้านลมช้างของไอ้ขยินมาข้าเพิ่งรู้สึกเดินสบายวันนี้เองวะตาพรานท่าหุนคํายิ้มกริมรองบอกพักพวกทุกคนเพราะบ่าอันบอกบางแต่แข็งแกร่งของแกไม่ต้องหาผามอะไรอีกทั้งสิ้นแต่ข้ารู้สึกตัวเบาๆยังไงชกบกลมือไม้มันว่างๆอยากประลองกำลังกับไอ้พวกนี้สักตั้งขยินว่า พร้อมกระตบที่ต้นแขนอวบใหญ่ทั้งสองข้างแรงๆย่างธนงในพระกำลังปานกระทิ่งเปรียวนี่เองน่ยอย่าทำเป็นอวดเก่งไปหน่อยเลยวะเยินทหารมรกรนครแต่ละคนตัวมันไม่ได้เล็กไปกว่าเองเลยสักกะคนอยากเหมือนเองทางนั้นได้พวกนี้ก็ชำนานเพลงอาวุธสัน้นเพราะฝึกฝนกันมาอย่างชำนานตามธรรมเนียมของมันเอ่งน่ะมันมืออีดาบโคนต้นไม้ จันว่าพร้อมกั็หัวเราะน้อยเนะ่ยไอ้จันประมาทเพลงดาบก็เรียงหวัวคงได้เห็นฝีมือกันเร็วๆนี่แหละข้านะั่นไม่ได้โค่นต้นไม้อย่างเดียวนะโว้ยดาบต่อดาบในมือใครจะหัวหลุดก่อนใครก็คงได้รู้กันข้าก็เรียนเพลงดาบมาเหมือนกันไม่ใช่ไอ้พวกนี้นี่มีดาบวะก็แต่ตัดใบไม้มารองนอนเสียถ่าอยู่หน่อยเดียวตรงที่ดาบของข้านะ่ะมันสั้นกว่าของไอ้พวกนี้ แล้น้ำหนักมันไม่อุ่มเหมาะมือเหมือนดาบของพวกมันเท่านั้นฮแต่ถ้าชวนตัวข้าก็ต้องแย่งเอาไม่ได้สักเล่มแล้ววะเป็นความจริงของขยินตามที่พูดดาบเดินป่าของพวกพรานพื้นเมืองทุกคนเทียบกับดาบนักรบชาวมรกตนกครไม่ได้เลยไม่ว่าจะเนื้อเหล็กรูปร่างหรือน้ำหนักถ้าประสานกันเมื่อไรดาบเดินป่าของพวกพรานพื้นเมือง หรือจะพูดกันตามภาษาชาวป่าที่เรียกว่ามีดแหล่เนื้อเหล่านั้นมีหวังถูกฟันขาดสองท่อนจากเนื้อเหล็กที่ใช้ตีเป็นดาบหนาคมมีสีเขียวประดุดปีกมแมลงทับโดยโลหะชั้นดีทุกคนหมายตาไว้แล้วถ้าจำเป็นขีดสุดก็เห็นจะต้องใช้ดาบของทหารพวกนั่นนั่นแหละดาบของพวกตนความหมายมันมีแค่เพียงมีดตัดไม้เท่านั้นเองกองทัพ เคลื่อนขบวนขึ้นถนนและยึดถนนสายนั้นบ่ายหน้าเคลื่อนที่กันต่อไปตามคําบงการของรหัสเยะในความสังเกตของฝ่ายฉเฉลยดูเหมือนจะมีทาหารมากองหนึ่งได้รับคําสั่งให้เดินทางล่วงหน้าไปก่อนในลักษณะสะกดรอยติดตามพวกโจรที่พระหนีไปเมื่อคืนนี้และอีกกองหนึ่งปริมาณเท่าเทกันก็แยกไปอีกทางหนึ่งสาหรับภารกิจล่าสังหาร ดารินปีนขึ้นไปบนเกวียงของกุตมะอันเป็นเกวียงขนาดกว้างใหญ่ที่จะบรรทุกคนได้ไม่น้อยกว่าห้าคนให้นั่งนอนกันตามสบายพอเห็นแม่หญิงผู้เบตาปรากฏตัวขึ้นขุนพลเท่าผู้ขณะนี้นั่งในลักษณะชั้นเข่าข้างหนึง่งเหยียดขายาวราบไปกับพื้นอีกข้างหนึง่งก็ขยับกายลุกขึ้นขัดสมาธิท่านควรจะนอนให้สบายนะกุตมะ เรารู้สึกสบายดีแล้วแม่หญิงและในฐานะนักรบผู้ฟื้นจากบาดแผลเจ็บป่วยแล้วเช่นนี้เรารำคาญมากที่จะต้องนอนไปบนเกวียนเหมือนคนป่วยหนักทำไมแม่หญิงไม่อนุญาตให้เราขี่ม้าไปด้วยตัวของเราเองละ่ะอุตมะท่านมีความรู้สึกที่เป็นนักรบเต็มตัวและทะนงในศักดิ์ทหารของท่านแต่ขอเชื่อเราเถอะ ท่านเพียงแต่รู้สึกสบายขึ้นเท่านั้นแต่โดยแท้จริงแล้วนะท่านยังเป็นคนป่วยท่านต้องพักผ่อนให้มากและต้องเชื่อหมอถ้าหากท่านต้องการจะกลับฟื้นขึ้นมาสู่ความแข็งแกร่งเหมือนเดิมโดยเร็วขุนพลเท่าถอนหายใจยาวแล้วเอื้อมมือไปจับข้อมือหญิงสาวไว้กลุ่มแน่นด้วยฝ่ามืออันหยาบกระด้างและแข็งแรงดารินสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้เป็นพ่อหรือญาติผู้ใหญ่ ที่จะแสดงด้วยจึงปล่อยให้แกกลุมไว้เช่นนั้นเป็นเวลาพักใหญ่ต่อมาใบหน้าที่แลดูตายด้านเหมือนหินนั้นจึง ป, ปรากฏรอยยิ้มขึ้นบางๆถามแผ่วเบามาว่าแมกหญิงมีสติปัญญาวันนี้ท่านอยากจะซักฟอกลอกถามอะไรกุธมะผู้แก่คราวบิดาของท่านอีกบ้างไหมล่ะจากคำถามอันแสดงถึงความรู้ทันนั้น ทำให้ดารินหัวเราะออกมาเบาๆหล่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเหตุใด จ, จึงมีความสนิทสนมชอบพอชายชราผู้นี้เป็นพิเศษชายชราผู้มีฐานะเป็นเสนาธิการทหารของฝ่ายทรราชจากแวตาคุณมัวเศร้าซึมของกุตมะคู่นั้นดารินบอกกับตนเองว่าหล่อนพอจะมองเห็นคุณธรรมประจําใจและธาตุแท้ของความเป็นคนสื่อสัตว์สุจริตที่ซ่อนไว้ภายในอย่างมิชิด นี่เป็นความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่หลอนเห็นขุนพลเท่าแล้ววันนี้เราจะถึงมรกรณนครเวลาประมาณเท่าใดล่ะกุตมะหลอนพูดถามเหมือนชวนคุยธรรมดาแล้วชักดาบประจําตัวของกุตมะที่วางข้างๆออกมาลูบคมสํารวจเนื้อเหล็กเล่นทําเป็นเหมือนไม่สนใจกับคําถาม น, นั้นนักถัดเดินด้วยอัตราขนาดนี้ เราอาจจะต้องถึงมรกฏตอนค่ำแม่กหญิงแต่มีกฎอายการทหารของนครนี้อยู่ว่ากองทัพใดก็ตามที่ออกปฏิบัตินอกเขตประตูเมืองไปแล้วหากจะกลับเข้าเมืองจะต้องกลับให้ทันก่อนตะวันตกดิน ม, มิฉะนั้นจะต้องหยุดพักพนอยู่นอกเขตเมืองก่อนรอเวลาจนกว่าจะรุ่งเช้า ประตูเมืองจึงจะเปิดให้เพราะฉะนั้นคืนนี้เราอาจมองเห็นกำแพงเมืองมอรกฎนครแต่ต้องหยุดพนอยู่นอกเมืองก่อนเอ๊ะเราไม่เข้าใจนะเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนั้นด้วยล่ะกุฎะมะในริงในเวลากลางคืนกดทหารของที่นี่ถือว่าไม่มีความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้น เรมองเห็นหน้ากันไม่ถนัดอาจจะมีการสวมรอยจากพวกโจรหรือฝ่ายข้าศึกปลอมแปลงเข้ามาและเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องออกมาคอยต้อนรับทหารทั้งกองทัพยังลานฝึกซ้อมหน้ามหาปราศาสไม่ว่าเวลาใดที่กองทัพเคลื่อนกลับถึงพระนครเพื่อฟังผลรายงานปฏิบัติการดังนั้นเมื่อตะวันตกดินไปแล้ว จึงไม่เหมาะสำหรับที่กษัตริย์จะออกมารับกองทัพณสถานที่นั้นแม่แม่ทัพจะเป็นอุปราชพระอนุชาเองทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องปฏิบัติตามกฎที่วางไวเป็นเช่นนี้มาทุกยุคทุกสมัยแล้วนี่เราถามอะไรท่านจุกจิกจู้จี้กวนใจเกินไปไหมหเนี่ยกุตมะดารินเอียงคอยิ้มขณะที่พูด อุตมะยิ้มตอบแม่หญิงเราน่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านเป็นบุตรีของเราเองอยากจะคุยอะไรก็คุยมาเถิดแม่หญิงเราพอใจที่จะได้ยินเสียงหรือสนทนากับนางเสมอเออดาบของท่านเล่มนี้นะ่ะหารข้าศึกศัตรูมาเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วเนี่ย ขุนพลเท่าสันศีรั่งช่นช้าเราไม่อาจจำได้แล้วล่ะไม่จิงมันเป็นดาบสงครามตั้งแต่สมัยบิดาของเรายังเป็นแม่ทัพและเมื่อเรายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นอยู่นั้นทหารนับร้อยที่ห้อมล้อมเราอยู่ด้วยสรรพอาวุธด้วยดาบเล่มนี้เพียงเล่มเดียวเราจะแหวกล้อม ฟันฟ้าเอาชีวิตรอดออกไปได้โดยไม่พลั่นพึงเลยเอ๊ก็คงจะเหมือนกันดาบของเมยานีนายกองโจนสาวคนนั้นที่ฟ้าฟันทหารหลวงนับพันของพวกท่านแหกเอานักโทษหนีออกไปได้เช่นนั้นใช่ไหมกุตมะตาเศร้าซึมลงอีกพยักหน้าแม่งหิงนักดาบมรกตนคหนัก ฝีมือเข้าขันแม่เพียงคนเดียวในที่ล้อมนับร้อยจากศัตรูที่ใช้อาวุธสั้นด้วยกันแล้วไซส์จอมจะแหวกวงล้อมออกไปได้เสมอประหนึ่งบุกตะลุยไปในดงหญ้าคาชนั้นและก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักในแผ่นดินนี้บุตรสาวของออรชุนเป็นผู้หนึ่งในจำนวนนั้นนางนำแม่นทั้งธนูและการขวางมีดสัน้น ชมังตอกขวานสึกคล่องในเพลงดาบราวจักผันและเร็วประหนึ่งลมกรดในเพลงหอกไม่ว่าจะบนพื้นดินหรือบนหลังมา้าแล้วกุตมา ก, ก็ถอนใจยาวฮือกอีกครั้งกล่าวต่อมาว่าครั้งหนึ่งในการรบด้านทุ่งทองกวาวทิพหอรดีมาของนางตกลงไปในหลุมขวาก และนางถูกสายบาทของเรากระชากตัวขึ้นมาได้ตกเป็นเฉลยภายหลังจับตัวสอบสวนได้เราจึงเห็นหน้านางอย่างทนัดนางบอกเราตามตรงว่านางเป็นใครและอ า, าคาดแคนต้องการชีวิตเราเช่นไรเมื่อเราทราบว่านางคือใครเป็นบุตรสาวของใครวันนั้นเราทําอุบายหาทางให้นางนี้หลุดรอดไปได้ แล้วฝากบอกไปถึงอรชุนบิดานางว่าหากต้องการชีวิตเราแล้วไซขอให้อรชุนเป็นผู้มาเอาเองหลังจากนัดเรากับนางหรืออรชุนก็พเดะประชิญกันซึ่งซึ่งหน้าอีกเลยก็พึงจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกกุตมะยิ้มอีกครั้งเป็นยิ้มยังเยาะหยันตนเองจ้องมองดูดารินนิ่งไปอีกครู่ เมื่อคืนนี้นางจู่โจมเข้ามาเดิมาสึกเงื้อหอกขึ้นหมายจะปลิกชีวิตเราซึ่งนอนอยู่บนแคร่ท่านคิดเถอะว่ามือชาญเพลงอาวุธทุกชนิดยังเมยานีนะี่จะเชื่องช้าจนถึงกับเปิดโอกาสให้ท่านโจนเข้าปะทะเป็นการช่วยป้องกันขัดขวางไว้ได้ทันอย่าว่าแต่นางจะบุกเข้ามาถึงตัวเราใกล้ชิดแค่นั้นเลย ต่อให้ยืนมาอยู่เพียงหน้าปากกระโจมนางก็สามารถจะพุ่งหอกเข้ามาเสียบคอหอยเราได้ถ้านางต้องการดารินลืมตากว้างท่านหมายความว่ายังไงเราไม่เข้าใจกุธมะเมียานีเกิดอาการลังเลหรือมิฉะนั้นก็ตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดที่จะประหารเราในขณะนั้น เรานอนมองตาของนางอยู่ตลอดเวลาขณะที่นางเงื้อหอกขึ้นนั้นแต่เราสังเกตเห็นได้ว่าสายตาของนางหาได้จ้องอยู่ที่เป้าหมายซึ่งนางจะสังหารไม่แต่กลับกวาดมองรวดเร็วไปยังพวกท่านที่พากันยืนตะลึงเสียมากกว่าเหมือนจะสังเกตทุกคนโอกาสนั้นแหละที่ทำให้ท่านปร ะ, ะเข้าขัดขวางไว้ได้ทัน เป็นความเข้าใจใหม่ของเราทีเดียวนะกุตมะดารินกระซิบเหมือนรำพึงขมวดคิว้วก็น่าจะเป็นไปได้อย่างที่ท่านบอกนี้อย่างเราจะมีความเร็วจนถึงกับสามารถโจรเข้าส ก, กัดกั้นเมยานีไว้ได้ทันในขณะที่นางเตรียมประหารใครอยู่เพราะฉะนั้นขอให้กุตมะได้ถามพวกท่านบ้างเถิดแม่นาง ว่าเมยานีมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษสําหรับพวกท่านทุกคนจึงมองเหมือนจะสํารวจเช่นนั้นการบุกเข้ามาเพื่อหมายสังหารเรานั้นเป็นเพียงเข้ามาเพียงเพื่อแสดงแผนการเท่านั้นแต่โดยแท้จริงแล้วนางต้องการมาดูพวกท่านทุกคนต่างหากครั้งนี้หมอดารินเป็นฝ่ายงันไปบ้าง ขุนพลกุตมะไม่ได้เป็นคนโง่เลยเพราะเท่าทันทุกอย่างอยู่เช่นกันสำคัญว่าความเท่าทันของกุตมะในเรื่องนี้จะแววไปถึงรหัสยะหรือสิงหาราหรือไม่ย่อมเป็นปัญหาที่ดารินต้องคิดหนะักสายตาของกุตมะที่แลมานั้นลึกล้ำและมีความหมายคาดคันในคําตอบดารินเริ่มจะอึดอัดและระมัดระวังตัวเต็มที่ในถ้อยคําของหล่อน เราก็ไม่อาจตอบท่านได้ในข้อนี้นะเพราะเราไม่ทราบแต่ถ้าจะให้ทำนายบางทีจะเป็นพระนางเห็นท่านอยู่ท่ามกลางพวกเราอันเป็นชาวแปลกถิ่นซึ่งนางไม่เคยเห็นมาก่อนจึงทำให้บังเกิดความสนใจที่จะพิจารณามองก็ได้และจังหวะที่มัวแต่มองพวกเราอยู่นั่นเองจึงเป็นโอกาสให้เราโดดเข้าปะทะนางดึงกลิ้งลงมาจากหลังมาได้ทัน ก่อนที่นางจะปักหอกลงไปบนกายท่านที่ปรึกษาฝ่ายทหารมรกฎนครสายหน้าแช่ญช้าพร้อมกับรอยยิ้มแน่การเดิมแม่นางในระหว่างที่พวกท่านชุลมุนจับตัวเมยานีเอาไว้ได้และข้านอนนิ่งอยู่บนแคร่นั้นท่านคิดว่าการพูดจาโต้ตอบระหว่างพวกท่านกับเมยานี เราจะไม่ได้ยินเราได้ยินหมดทุกถ้อยกระทงความคำพูดประโยคนี้ของกุตตมะทำให้ดารินอึ้งไปอีกครั้งขุนพลเท่ากล่าวเป็นเชิงถามต่อมาว่าท่านจะให้เราทบทวนในคำพูดโต้ตอบระหว่างเมยานีกับพวกท่านหรือไม่ล่ะเพื่อว่าเราจะฟังผิดและท่านจะมีข้อแยง้ง สีหน้าของดารินเข้มลงท่านได้ยินยังไงกุตมะข้อที่หนึ่งนางบอกว่านางคือคนหนึ่งในจำนวนโจรขบฏของฝ่ายทรราชข้อที่สองนางเรียกตัวท่านว่ากุตมะชี้มาที่หลอนตรงหน้านางเรียกตัวท่านว่านายหญิง ข้อที่สานางกล่าวขอบใจพวกท่านทุกคนที่รักษาพยาบาลพวกโจรที่ถูกทหารหลวงจับได้ทั้งหกคนไว้ข้อที่สนางตำหนีพวกท่านที่ไม่ควรจะช่วยคนทรยศกุตตมะอันหมายถึงตัวเราเองข้อที่หานางกล่าวเชิงเอาบุญคุณกับพวกท่านไว้ด้วยว่าทำไมคำนึงถึงพวกท่าน ที่พลอยติดอยู่ในกระโจมนี้ด้วยแล้วนางจะเผากระโจมนี้ซะด้วยธนูเพลิงข้อที่หนางกล่าวเอาบุญคุณกับท่านเป็นการส่วนตัวอีกด้วยว่าเมื่อท่านนายหญิงขอชีวิตเราไว้นางก็ยินดีที่จะเล่าเว้นให้ทั้งหข้อหประการที่เรากล่าวมานี่นะเป็นความจริงหรือไม่ หมอดารินเม้มริมฝีปากแน่นและก้มศีรษะลงอุตมะเราไม่ลึกเลยนะว่าในขณะนั้นท่านจะคอยนอนเงียหูฟังอยู่ทั้งๆที่เหตุการณ์มันฉุกหระหุกหรือเกินและชีวิตของท่านเองก็อยู่ในระหว่างอันตรายแม่หญิงหูของเราไม่ได้โนกแล้วตาของเราก็ไม่ได้บอดในเวลาเดียวกัน อุตมะไม่เคยกลัวความตายด้วยไม่ว่าจะตกอยู่ในที่ขับขันเพียงใดนี่ก็แปลว่าท่านรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในคืนที่ผ่านมาแล้วในกระจมนี้เฉพาะตัวของท่านคนเดียวโดยไม่คิดที่จะแพร่งพรายให้ใครอื่นท้าบทั้งสิ้นเช่นนั้นสิเรารู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่ออะไรมานานแล้วแล้วก็เก็บไว้ในใจตนเอง มานานแล้วเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ่งถ้าหากสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งอันตรายถึงตัวเราหรือบุคคลที่เราห่วงใยดาริงชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ขุนพลเท่าจนเกือบจะชิดจนได้กลิ่นสาบใครอุตมะนายกองโจรสาวสวยบุตรีของอดีตสหายท่าน ซึ่งจะมาเอาชีวิตท่านเองเมื่อคืนนี้นเป็นบุคคลที่ท่านห่วงใยด้วยกระ น, นั้นเหรอใช่ก็นางไม่ได้เป็นศัตรูตัวร้ายของท่านหรอกเหรอกุตมอ๋อแน่นอนเป็นศัตรูก็เล้วท่านมีเหตุผลยังไงถึงได้ห่วงใยอาทรต่อศัตรูหรือเป็นเพราะว่านางเป็นบุตรสาวของอดีตสหายรักของท่านซึ่งท่านยังรักเขาอยู่ แม้ว่าเขาบัดนี้จะกลายเป็นศัตรูกับท่านไปแล้วนั่นเป็นข้อหนึ่งส่วนข้อที่สำคัญกว่านั้นเมยานีเป็นกาลังสำคัญที่สุดของกองทัพประชาชนบิดาของนางน่ะเป็นแต่เพียงผู้วางแผนเท่านั้นถ้าปราศจากเมยานีซึ่งจะพูดให้ตรงก็คือแม่ทัพของฝ่ายประชาชนแล้วกำลังของประชาชน ยอมจะพ่ายแพ้พี่นาฏไปในทันทีข้อนี้แหละที่ครั้งหนึ่งเราจักเมยานีได้แล้วก็ปล่อยตัวไปดังที่เล่าให้ท่านฟังแล้วดารินลืมตากว้างแล้วก็ค่อยยกมือขึ้นจับต้นแขนของขุนพลเท่าบีบแน่นหลอนชะโงกหน้าออกไปนอกเกวียนเห็นพรรคพวกทุกคนยังคงเดินรายล้อมเกวียนคนเจ็บอยู่ โดยไม่มีทหารของฝ่ายรหัสยะคนใดเข้ามาป้วนเปลี่ยนใกล้เคียงพอที่จะแอบฟังได้สำรวจจนเป็นที่แน่ใจแล้วเองก็กระซิบอย่างตื่นเต้นประหลาดใจสุดขีดกุตมะนี่เป็นคำสารภาพของท่านต่อเราแล้วนะถึงแม้จะไม่โดยทางตรงก็ถางออกสิ่งที่ท่านสารภาพก็คือท่านไม่ได้เห็นด้วยเลยกับฝ่ายทรราสิงหราและรหัสยะ ตลอดเวลาที่หัวใจแท้จริงของท่านคอยช่วยเหลือเข้าข้างประชาชนอยู่แล้วกุตมะทำเสียงหือๆในลำคออย่างขมขื่นแต่ประชาชนไม่เคยรู้ว่ากุตมะเป็นเช่นไรรวมทั้งอรชุนและเมยานีด้วยอาจจะรู้แล้วก็ได้นะกุตมะในการที่ท่านปล่อยเมยานีให้รอดตายไปในครั้งนั้นดังที่ท่านเล่าให้ฟัง และเมญานีก็สำนึกในบุญคุณนั้นจึงไม่ฆ่าท่านภายในคืนนี้ทั้งๆที่ทานางจะฆ่านางก็ทำได้สำเร็จไปแล้วนี่เราก็เพิ่งจะรู้ภายในคืนนี้เองว่าเมญานีน่ะเป็นผู้สำนึกในบุญคุณเช่นกันแต่บุญคุณน่ะชุดใช้ทดแทนกันได้ครั้งหนึ่งเราเว้นชีวิตนางครั้งนี้นางก็เว้นชีวิตเรา เป็นการตอบแทนแต่ครั้งหน้ากุตมะแผ่วเสียงเหือดไปยกมือขึ้นกลุมบาดแผลธนูที่พันไว้ด้วยผ้าครั้งหน้าท่านก็ควรจะอยู่ฝ่ายประชาชนแทนที่จะยืนอยู่ข้างฝ่ายทราราเมื่อนั้นบาด ท, ทางใจของท่านก็จะหมดสิ้นไปมิตรก็จะกลับคืนมาเป็นมิตรตามเดิมความร่มเย็นสันติสุขของแผ่นดินก็จะกลับคืนมา กุตมะเพ่งหน้าหญิงสาวแม่นางท่านพูดประหลาดมากสันติสุขของแผ่นดินนี้อาจจะกลับคืนมาได้ตามที่ท่านกล่าวประโยคนี้ออกมาท่านระเตรียมฤรือรู้เห็นอะไรไว้แล้วอย่างงั้นเหรอเราไม่เข้าใจในคำถามที่ว่าเราละเตรียมหรือรู้เห็นอะไรอย่างที่ท่านพูดนะกุตมะ กระเตรียมรู้เห็นในข้อที่ว่าถ้าปราศจากซึ่งสิงหราหรือรหัสยะซะแล้วใครคือผู้ที่จะครองบัลลังก์มรกฎนครต่อไปนะสิยญิงสาวบอกกับตนเองว่าเกือบจะเสียท่าซะแล้วแต่แก่นี่ฉลาดนะักและจะต้องรักแค่ระคายอะไรมาก่อนแน่ทีเดียวระหว่างที่ตัวหล่อนกำลังจะหลอกล่อล้วงถามตัวนี้ก็กลับเป็นฝ่ายถูกถามอยู่เช่นกัน พยายามทำสีหน้าอาการของตนให้ปราศจากรอยพิรุธก็อาจจะเป็นตัวท่านเองหรืออาจเป็นอรชุนสุดแล้วแต่จะตกลงกันได้ไม่นช่ต้องรอคอยเทวดาที่ไหนอยู่เลยนี่กุตมะแม่นางสำหรับเรานะ่ไม่เคยคิดการมักใหญ่ไฟสูงถึงเพียงนั้นหรอกส่วนอรชุนเราก็กล้ารับรองได้ ว่าเขาไม่เคยคิดอาจเอื้อมเช่นนั้นบันลังของมรกฎนครน่ะเป็นบันลังอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าว่าสนาบุญญาไม่ถึงแท้จริงแล้วไม่ช้าก็เร็วผู้ที่ขึ้นไปนั่งอยู่จะต้องประสบการพินาศก็ถ้าเช่นนั้นสิงหราก็มีบุญญาอภินิหารมากมายนักกระนั้นสิเขาถึงได้นั่งอยู่บนบาลังนี่มานานถึงกว่า20ปีแล้ว แม่นางคนชั่วนะอาจจะมีวาสนาแต่วาสนานั่นก็มีระยะเวลาของมันว่าจะยืนนานไปได้สักแค่ไหนท่านรู้ไหมแม่หญิงแผ่นดินมรกตนะไว้เบาเบาเมื่อเช้าของสองวันที่ผ่านมาแล้วมันเป็นเช้าของวันที่เท้าคู่หนึ่งเหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินนี้เท้าคู่นั้นเป็นคู่ใดคู่หนึ่ง ในบรรดาของพวกท่านนี่แหละนี่กุตมะท่านอย่าใช้คำพูดเพื่อขุดลุมลวงอะไรนหน่อยเลยถ้าแผ่นดินมรกกนครไหวเราผู้เหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินนี้ก็จะต้องรู้สึกด้วยสิแต่นี่เราไม่รู้สึกเลยแล้วมันจะไหวสะเทือนไปก็เพราะกองทัพทรราชของพวกท่านที่ออกไล่ข้าฟันเบียดเบียนประชาชนเท่านั้นแหละแม่นางเราพูดความจริงนะ เป็นดินไหวในมรกรนครชาวมรกรนครทุกคนย่อมจะรู้สึกได้ทั้งนั้นแต่พวกท่านสิอาจไม่รู้สึกและไม่ได้สังเกตก็ได้ก็แล้วถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงนะมันจะหมายความว่าไงเราก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันทราบแต่ว่ามันเนื่องมาแต่การมาถึงของคนคนหนึ่งในคณะพวกท่านนั่นแหละ เอาละกุฎมะเรามาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาดีกว่าคนคนหนึ่งที่ท่านเอ่ยถึงนะ่ะก็คือคนที่ควรเป็นกษัตริย์อันชอบธรรมของมรกนาครน่ะใช่หรือไม่คราวนี้กุฎมะเป็นฝ่ายนิ่งไปนานบ้างแล้วแทนที่จะตอบคำถามโดยตรงก็กลับย้อนถามมาว่าแม่นางการพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเป็นสิ่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้พวกท่านเอาคนที่สิบสองของท่านที่มาด้วยกันไปไว้ซะที่ไหนล่ะก็บอกมาก่อนสิว่าคนคนนั้นเป็นใครก็อาจจะเป็นกษัตริย์อันชอบธรรมของมรกฎนครตามที่ท่านเอ่ยถึงก็ได้ก็เพราะเหตุนี้สิสิงหรารหัสยะ ซึ่งได้ส่งทหารมาคอยดักล้อมจับเสียก่อนใช่ไหมใช่พระแม่เจ้าวาชิกาเป็นคนบอกสิงหราหกับราชฎรยะยางงั้นเหรอก็ใช่อีกนั่นแหละแล้วท่านผู้ซึ่งเป็นที่เปิดเผยแล้วว่าโดยแท้ที่จริงหาได้มีจิตใจเป็นฝ่ายทรราชสักนิดเดียวไหมก็คุมกองทัพนี่มาคู่กราษยะด้วยแม่นาย ท่านรู้จักคําว่าหน้าที่หรือไม่เราเข้าใจและเห็นใจนะแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่หรือว่าก็าสมควรที่จะอันตรธานไปซะก่อนที่กองทัพอันเหี้มโหดของรหัสสยะภายใต้บัญชาสั่งของสิงหราจากข้อแนะนําของนางแม่มดวาจิกาผู้ทํานายทุกสิ่งทุกอย่างได้ราวกับตาหินจะเข้าถึงตัวเราก็เห็น ว่าเมญานีทำได้ถูกต้องแล้วเมยานีทำได้ถูกต้องเหรอเอ๊ะหมายความว่ายังไงเนี่ยดารินเผลอตัวร้องออกมาดังๆก็หมายความว่าก่อนอรุณจะรุ่งก่อนที่กองทัพทหารหลวงจะเคลื่อนเข้ามาถึงเมญานีได้ข่มกำลังทหารโจนจานวนหนึ่ง มารับองค์พระมกุฎราชกุมารจักรราชไปเซฟก่อนนะสิไอกุตมะนี่แปลว่าแปลว่าท่านรู้เห็นอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ท, ทั้งทั้งที่ฝ่ายเราซะอีกแต่แรกม่ยังไม่รู้อะไรเลยแม่นางถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ใช่กุตมะผู้เท่าทันอรชุนอยู่ทุกฝีเก้าอย่างนะสิ และราสยะนะรู้อย่างที่ท่านรู้หรือเปล่าลกุตมะหญิงสาวถามแทบไม่หายใจนม่ต้องห่วงรอกแม่นางบอกแล้วไงว่าไม่มีใครทันแผนการหรืออ่านจิตใจของอรชุนได้เท่ากะกุตมะและท่านก็เล่นละครแสดงให้ทั้งเราและรหัสยะกับทหารหลวงทั้งกองทัพดูมาโดยตลอดอย่างสนิทสนมที่สุด ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำไปแล้วอยังงั้นเหรอแม่นายเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นนะโอ้กุตมะนี่ท่านจะเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งสำหรับชีวิตพวกเราทีเดียวนะดารินุธานถ้ากุตมะเป็นคนที่มีความอัศจรรย์ทรยศหักหลังผู้มีคุณเป็นสันดาน อย่างที่อรชุนว่าก็แน่ละเราย่อมเป็นตัวอันต ร, รายต่อพวกท่านอย่างที่สุดแต่ในเราขอยืนยันว่าเราหาได้เป็นคนเช่นนั้นไหมพวกท่านทําได้ถูกต้องแล้วที่ยืนการปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาว่าพวกท่านมากันเพียงส1อคนเท่านั้นไม่ยอมรับรู้ถึงคนที่12สองกับใครทั้งสิ้น แล้วก็ขอยืนยันเช่นนั้นตลอดไปแม้ต่อหน้ากษัตริย์สิงหราแล้วอำนาจในการต่อรองของท่านกับสิงหราเพื่อชีวิตของคนของท่านเองอีกสองคนที่ท่านมุ่งหน้ามาตามจะมีความหมายขึ้นก็แปลว่าเราจะถูกสอบสวนซักถามถึงบุคคลที่สิบสองเมื่อเชิญหน้ากับสิงหราอีกครั้งอย่างนั้นใช่ไหม แน่นอนที่สุดก้วแม่นางแล้วท่านมีข้ออะไรจะแนะนำเราบ้างไหมล่ะกุตมะสรรันศรีศัก์เรายังคิดไม่ออกในขณะนี้แต่รู้ว่าคนของท่านสองคนกับพวกท่านอีกสิบเอดคนจะยังไม่เกิดอันตรายใดๆทั้งสิน้นหากคนที่สิบสองในพวกท่านยังหลุดรอดพ้นเงื้อมือของสิงหราอยู่อย่างเช่นนี้ แต่ถ้าได้ตัวมาเมื่อไรตายทั้งหมดเมื่อนั้นดารินกายสั่นเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเครือกุตมะท่านให้ประโยชน์ต่อเราเหลือเกินนะเนี่ยแล้วท่านทำให้เราเชื่อใจอย่างสนิทว่าท่านกลายเป็นพวกของเราแล้วอุตมะยิ้มเยือกเย็นเอื้อมมือมาลูบที่ศีรษะของดารินอย่างเอ็นดู อยาเพิ่งไว้วางใจอะไรเรามากนักแม่ญิงผู้ชานฉลาดแต่เราไว้ใจท่านไว้ใจตั้งแต่ท่านเล่าความจริงทั้งหมดของ ม, มรกรนครให้เราฟังและไว้ใจตั้งแต่ท่านช่วยปกปิดเรื่องหัวหน้าโจนที่บุกเข้ามาในกระจมนี้ขณะเมื่อรหัสยะถานท่านซึ่งท่านก็บอกว่าจำหน้าไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นใครอย่างไรก็ตามท่านช่วยป้องกันชีวิตของทหารหลวงไว้ได้อีกมาก แทนที่จะปล่อยให้ไปถูกฆ่าย่อยยับในขณะที่ตามกองโจรเมยานีออกไปนี่เป็นความเห็นของที่ปรึกษาฝ่ายยุทธการของเราแม็กหญิงเราจะช่วยพวกท่านได้มากเท่าใดเราก็จะต้องทำให้ทั้งรหัสยะและสิงหราไว้วางใจเราเท่านั้นท่านยอมรับในความจริงข้อนี้ไหมกุตมะ นี่ท่านรู้ใช่ไหมว่าจักรราษไม่ตายหนีรอดออกไปได้พร้อมกับพระชนนีได้มันเป็นการรบที่ชุลมุนและนองเลือดที่สุดเราเองนี่แหละที่เป็นฝ่ายนำกองทหารไล่ติดตามราชินีเกสราเทวีและราชบุตรจักรราษเรารู้ว่าทั้งสองชีวิตผ่านพ้นเขตมรกรนครไปได้ แต่ประวัตว่าจะต้องไปสิ้นประชนซะในกองหิมะระหว่างทางแต่นักนไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเรากลับมารายงานสิงหราว่าทั้งสองคนตายแล้วถล่มร่วงลงไปจมอยู่ในกองหิมะสิงหราเกณฑ์ทหารทั้งกองทัพเพียรขุดค้นเพื่อจะหาซากให้ได้แต่ก็ไม่พบขณะนั้นเป็นฤดูหนาวจัด สองแม่ลูกตายจริงหรือไม่เราไม่ทราบแต่เราทราบว่าเราพยายามไม่ให้กองทหารติดตามทันโดยใช้อุบายหน่วงเหนียวนำควายเขวไปทางอื่นซะใครเป็นคนฆ่าวิษณุพรมนาคบอกเราได้ไหมอุตมะสิงหรายิงด้วยธนูจากมือตนเอง ขณะที่กษัตริย์วิศนุพรมนาชถูกพวกขบุรุมล้อมอยู่กุฏมะตอนนี้ท่านเชื่อแล้วใช่ไหมว่าจักรราษยังไม่สิ้นพระชนพระชนนีนำสมสารหนีรอดเงื้อมือศัตรูไปได้และบัดนี้จักรราษก็กลับมายังแผ่นดินเดิมแล้วแม่นางครั้งแรกนะเราไม่เชื่อหรอกว่าจะรอดไปได้ เกรงจะสิ้นพระชนสักก่อนทั้งราชบุตรและชนนนีจากภัยธรรมชาติครั้นอยู่นานต่อมาพระแม่เจ้าวาชิกาหรือท่านจะเรียกว่านางแม่มดก็ตามเริ่มมีวิตกกังวลและเริ่มทำนายเหตุให้สิงหราเกิดการไหวตัวเราจึงเริ่มสงสัยครั้งสุดท้ายที่สุดเมื่อคนของท่านพลัดแดนเข้ามา เพื่อค้นหาแหล่งสมบัติของนาคอ น, นี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะต่อให้ค้นพบเขาก็ย่อมจะเอาเออกไปไม่ได้อยู่แล้วเขาถูกจับแม่มดวาชิกาสั่งให้หยึดตัวเลี้ยงดูไว้ก่อดบอกกระสิงหราว่าอีกรอบรัวปีจักรราจะมาพร้อมกับคณะผู้ติดตามบุคคลทั้งสองนี้และจะมีเรื่องยุ่มขึ้น ชีวิตของสองคนที่ล่วงหน้ามาก่อนจะเป็นตัวประกันให้พวกท่านตัดสินใจเลือกอัาในระหว่างศัตรูของสิงหารากับคนของท่านเองนั้นจะเลือกเอาฝ่ายไหนนี่คือมูลเหตุที่ทั้งสองคนยังมีชีวิตยอยู่เพื่อรอท่านมาจนทุกวันนี้และนี่คือความจริงทั้งหมดที่เราไม่มีอะไรจะปิดบังท่านอีกแล้ว ขอบใจท่านมากท่านผู้เท่าดารินพูดเน้นเสียงลึกแล้วกระโดดแพลวลงจากเกวียนคนเจ็บไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานคณะพักทุกคนยกเว้นพวกกลุ่มพานพื้นเมืองก็ทราบทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดจากแจ้งจากดารินว่าหล่อนได้อะไรจากกุฎมะบ้างในระหว่างที่ขึ้นไปนั่งสนทนากันอย่างเปิดใจบนเกวียนตามลาทังสองต่อสอง แล้วไม่มีผิดว่าเท่านี้เท่าทันเราทุกอย่างรหัสรยะต่างหากละที่ยังโง่แต่เราก็เดาไม่ผิดตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกันว่ากุตมะท่าทางจะเป็นมิตรกับพวกเราเทิดากล่าวอย่างระมัดระวังน่าสงสารนะเขาเป็นคนตกอยู่ในฐานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆและถ้าหากไม่มีการกล่อมหรือแสดงเหตุผลให้รู้ผิดรู้ชอบอย่างที่พวกเราทํากันมาแล้วนะ่ะ ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันว่ากุตมะจะเลือกเอาฝ่ายใดถ้าอารชนหรือเมยานีเตรียมเอาหอกรอรับอกเขาอยู่เขาก็คงไม่วิ่งเข้าไปหาหรอกเป็นเราก็เหมือนกันมาเรียตอบแทนให้แก่ข้อรำพึงของชัยยันเราทายกันไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่เรานอนหลับกันอยู่ที่ลำทานกลางดึกคืนนั้นมีกองกาลังประชาชนจํานวนหนึ่ง ภายใต้การนำของเมยานีมาแอบรับตัวแงซายไปและแงซายก็บงการให้กองกําลังเหล่านั้นขนปืนกับอาวุธระเบิดของเราไปด้วยนึกแล้วลําพังคนเดียวนะ่ะแงซายจะขนของเหล่านั้นไปทั้งหมดได้ยังไงอูทมไมเองที่เป็นคนบอกกับคุณหญิงเองในข้อนี้ไม่ใช่เหอรอกพินกระซิบถามดารินพยักหน้าช่เขาพูดได้ฉันรู้ในทํานองนั้นะ ถางั้นก็มีข้อหน้าแปลกใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่ามียานีนัดแนะเพื่อมาพบปะกแงะสายได้ยังไงและทําความเข้าใจกันได้ยังไงในขณะที่พวกเราทั้งหมดนอนหลับสลบสลายอยู่มันจะต้องมีรหัสนัดแนะที่ลี้ลับหรือความเข้าใจอะไรซึ่งกันและกันสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังค้นไม่พบอะไรก็ตามทีเถอะน้อยเธอแน่ใจนะว่ากุติมาจะไม่หักหลังเรา มาเรียถามอย่างกริ่งเกรงหากหลังยังไงอะเม่คือเขารู้อะไรอย่างที่บอกกับเธอแล้วก็เก็บความนั้นไปเพชรทูลให้ราหัสยักษ์หรือกษัตริย์สิงหรารู้ด้วยซึ่งหมายถึงความพินาศของพวกเราทันทีสำหรับแงาศาศานะ่รายน้ำไม่สำคัญรอกเขาปลอดภัยแล้วเพราะขณะนี้เขาอยู่ในกองทัพประชาชนอันอบอุ่นซึ่งฟังดูตามเสียงก็พร้อมแล้วที่จะให้การสนับสนุนต่อสู้เพื่อเขา พวกเราทั้ง11คนที่กำลังจะเข้าไปเผชิญหน้าสิงห์นาาและอีกสองคนที่เป็นเฉลยนี่สิเข้าตาจนแน่ๆเลยทุกคนคิดอย่างที่มาเรียพูดเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าระแวงไม่ใช่น้อยแต่ดารินเต็มไปได้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมฉันเชื่อแน่นะว่ากุตมะจะไม่หักหลังเราในด้านนั้นเป็นอันขาดแล้วก็แน่ใจด้วยว่าเขาจะต้องหาทางช่วยเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ที่เกี่ยวกับพี่กลางและนานอินรวมทั้งความปลอดภัยของพวกเราด้วยนี่แปลว่ากุฎมาเชื่อแล้วใช่ไหมว่าจักรราชยังไม่ตายในคราวกบฏครั้งนั้นและขณะนี้กลับมามรกฎนครแล้วเชษฐาถามน้องสาวพี่ใหญ่คะถ้าตามความเข้าใจของน้อยนะคะในวงการบริหารชั้นสูงของมรกฎนคร ซึ่งใกล้ชิตกนางแม่มดวาชิกานั่นจะต้องเข้าใจเช่นนั้นกันทุกคนเว้นแต่ว่าใครจะพูดออกมาหรือไม่เท่านั้นกุตมานอะไหวทันแล้วว่าเมญานีลอบนำกองกำลังจำนวนหนึ่งมารับเอาองค์พระยุพ ร, ราชไปสักก่อนที่ตะวันจะขึ้นหรือแกล้งทิ้งพวกเราอีก11คนเป็นเหยื่อล่อให้ไขว้เขวแต่รหัสยนะน่ะสังเกตดูจะยังไม่เข้าใจอะไรนักได้รับคาสั่งมาประการเดียวเท่านั้น พอพวกเราชุดนี้มากัน12คนและจับได้เพียง11คนอีกหนึ่งหายไปไหนก็พยายามเคี่ยวเข็นเอาความจริงจากเราให้ได้อย่างเต็มที่อย่างที่แล้วมาส่วนพวกโจรหรือ ก, กำลังประชาชนทั่วๆไปนั้นยังไม่ทราบข่าวอะไรทั้งสิน้นนี่เป็นการสรุปเหตุการณ์ของน้อยนะคะก่อนเที่ยงเล็กน้อยระหว่างที่กองทัพทั้งหมดเดินมุ่งหน้าไปตามทิศ ท, ทางนั้น ภูมิประเทศสองฝ่าฝั่งถนนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าใล้เขตย่านชมุมชนเข้าไปทุกขณะภูเขาเริ่มจะตี้ลงไร่นาก็เริ่มจะหนาตาขึ้นแต่เป็นที่นาประหลาดใจอยู่ว่าหมู่บ้านหรือชมรมบางแห่งแสดงให้เห็นจากร่องรอยว่ามีคนอยู่อาศัยหนานแน่นเมื่อไม่เกินส2องชั่วโมงมาแล้วนี่เองกลับถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ร้างไม่มีผู้คนเหลืออยู่ให้เห็นเลย นอกจากแสกเลี้ยงบางชนิดพวกกองทัพเหล่านั้นแยกย้ายกันเข้าไปทำการสำรวจอย่างทีท้วนรวมทั้งบกุกตรวจตะลุยค้นหาไปตามไร่ข้าวโพดด้วยแต่ก็ไม่พบอะไรเลยแล้วก็กลับเข้ามารายงานให้ฝ่ายผู้บังคับบัญชาทราบเฉลยทั้ง11ชีวิตไม่เข้าใจว่าทหารเหล่านั้นเข้ามารายงานเจ้านายตามลำดับขั้นว่าอย่างไรแต่ก็นึกรู้ในทันทีว่าบ้านนิคมคมเหล่านั้น คงจะเป็นหมู่บ้านที่ต้องสงสัยถูกไหมหัวจากกองทัพไว้แล้วว่าจะต้องมีการสังหารข่าฟันหรือจับกลุ่มราษฎรหดือยก็หาว่าฝักไฟกับพวกทหารโจรที่เข้าทำการปล้นกองทัพเมื่อคืนตอนดึกแต่พวกนี้ก็นกรู้มิฉนั้นก็คงได้รับการเตือนให้ทราบล่วงหน้าจากพวกโจรอยู่ก่อนแล้วจึงรีบอบพยพเร้นตัวไปซ่อนหนีซะก่อนที่กองทัพจะเคลื่อนผ่านมาถึง ราษยะยืนมากกัดกรามกว่าตามองสภาพหมู่บ้านอันไม่น่าจะร้างไปอย่างรวดเร็วนั้นอย่างแคนเคขืองแล้วก็ควบมาตรงเข้ามาที่กวนของกุตมะกระโดดหายเข้าไปในกวนซุบซิบปรึกษาหารืออยู่ครู่ใหญ่ส่วนกองทัพก็คงเดินล้ำหน้าไปเป็นปกติเดินไม่ได้หยุดให้เสียเวลาเท่าว่าพอคล้อยหลังไปไม่เกินครึ่งกิโลเมตรไฟเชลยที่หันหลังกลับไปมองด้านหลัง ก็เห็นกลุ่มควันไฟลอยขมุพร้อมกับเปลวอันแดงฉานมันหมายถึงว่าแม้จะเอาตัวใครไม่ได้สักคนทั้งหมู่บ้านประมาณ30กว่าหลังคาเรือนก็ถูกแกล้งเผาผลาญซะแล้วแต่ก็ยังดีที่พวกนั้นยังไม่ได้เผาผลาญพืชพันธุ์ทางเกษตรเพราะอย่างน้อยก็รู้กันว่านั่นเป็นสเบียงเพื่อพวกตนจะมาเก็บเกี่ยวได้ภายหลังเช่นกัน แล้วราหัสยะก็พลูออกมาจากกุียนกระโดดจากแอกเกวียนขึ้นบนหลังมา้าขยับจากขั้วพระวิถีหน้าบึง้งตึงมาเรียแส้นทักทายไว้ก่อนราหัสยะอาการของกุตมะเป็นยังไงบ้างละ่ะในสายตาของท่านนะ่ะพระผู้หญิงรูปสวยผมทองทักทายด้วยจอมโหดผู้กําลังหดงุดหงดจึงมีสีหน้าดีขึ้นก็ดีขึ้นมากทุกเวลาที่ผ่านไปล่ะ หมู่บ้านใหญ่ที่เราผ่านกันมาเมื่อครู่นี้หาผู้คนไม่ได้เลยเหตุได้ทหารของท่านจึงเผาแผลนบ้านเรือนร้างปราศจากผู้คนเหล่านั้นซะหมดละ่ะคราวนี้รหัสยะเสยะพวกมันหลบหน้าเข้าไปในป่าหมดพอกองทัพผ่านไปก็จะโยโอนกลับมาอีกเราจึงสั่งให้เผาเคหะที่อาศัยของพวกมันซะกล่าวจบขุนพลรหัสยะพระอนุชา ก็แง้นขึ้นมองตะวันเหมือนจะคำนวณเวลาแล้วก็ควบมาแยกหายไปในหมู่กองทัพอันหนาแน่กุตมะคลานออกมาทางด้านหลังของกวียนกำลังมือมองไปยังกลุ่มควันควายนั้นด้วยใบหน้าอันหมองคล้ำเช่นกันเชษฐาสังเกตเห็นเช่นนั้นก็เรียกน้องสาวผู้เดินปรึกษาหารือกับระพิงอยู่อีกด้านหนึ่งของเกียนและบุยปากเป็นความหมายให้ห็น ดารินจึงโดดขึ้นไปนั่งห้อยเท้าเคียงคู่กับชายชาราอย่างสนิทสนมสีหน้าของท่านมีกังวลเหลือเกินี่ท่านผู้เท่าที่ปรึกษาฝ่ายทหารของมรกรนครฝืนยิ้มเศร้าๆแม่นางแม่นางทราบไหมหมู่บ้านที่กำลังถูกเผาทำลายโดยไม่มีคนเลยเหล่านั้นเมื่อหกสิบกว่าปีก่อนนี้ เด็กคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากที่นั่นใครล่ะกุตมะและมีความสำคัญยังไงกับหมู่บ้านนั้นกุตมะผู้นั่งมองดูเปลวไฟที่กําลังเผาพลานมันอยู่ในขณะนี้ไงละ่ะเป็นคําตอบที่เศร้าลึกแผ่วเบาแล้วกล่าวเหมือนจะรําพึงต่อมาว่าแม่นาง พื้นดินบริเวณนี้นะ่ะอุดมสมบูรณ์ดีที่สุดไม่ว่าจะปลูกพืชพันอะไรก็จะงอกงามและให้ผลโดยเร็วแผ่นดินนั้นนะขุดลึกลงไปเพียงแค่สองซอกก็จะพบน้ำอันใสสะอาดจืดสนิทดาริงเอียงหน้ามอ ง, ท, งทั้งทั้งที่คนหนีออไปหมดแล้วรหัสยะก็ยังสั่งให้เผา ร่อนเอ่ยเสียงหนักๆกุตมะนิ่งเมือซึมท่านไม่ยับยั้งห้ามเขาไว้หรอกเหรอกุตมะว่าถึงจะเผาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม่นางก็ไม่มีประโยชน์อันใดเหมือนกันที่เราจะห้ามเขารหั ส, สย ะ, ะกําลังขัางแค้นเขาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นสัตว์รูของเขา แล้วเขไม่รู้หรอกเหรอว่าหมู่บ้านนิคมนั้นน่ะเคยเป็นที่เกิดของที่ปรึกษาฝ่ายทหารของเขาเองรหัสสยะไม่รู้หรอกแม่นางแล้วถึงจะรู้เขาก็คงไม่สนใจอะไรเพราะขณะนี้กุตตมะไม่ได้มีญาติพี่น้องใดๆเหลืออยู่ที่นั่นอีกแล้วเอนี่แปลว่า ทุกหมู่บ้านนิคมคามที่กองทัพนี้จะผ่านไปสองฟากถนนจะต้องถูกทำลายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวเมืองอยังงั้นเหรอก็ไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปหรอกในจริงบางหมู่บ้านจะไม่ถูกทำลายเพราะราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆเป็นฝ่ายของทหารหลวงและนายบ้านก็มียศเป็นทาหารส่วนมาก จะเป็นหมู่บ้านในละแวในในใกใกล้เขตชานพระนครเข้าไปหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปตามชายแดนรอบทิศเท่านั้นที่อยู่ในเขตอันตรายของการกวาดล้างแลวเราจะเอาอะไรมายึดถือว่าหมู่บ้านไหนเป็นฝ่ายของสิงหาราหรือหมู่บ้านไหนเป็นฝ่ายของอรชุนล่ะผู้ท่าเมื่อก่อนหน้านี้หนึ่งปีเศษ สิงหราออกประกาศไปทั่วแผ่นดินให้ประชาชนชาวมรกรนครทั้งสิ้นที่แยกย้ายกันออกไปทำมาหากินอยู่ตามเขตรอบนอกชนบทอันห่างไกลให้อบพยพเข้ามาอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับตัวพระนครในรัฐสมีห้าสิยนถ้าใครอยู่ห่างไกลจากนั้นออกไปจะไม่รับรองความปลอดภัย และอาจถือว่าเป็นฝ่ายที่กระด้างกระเดืองต่อแผ่นดินทั้งสิ้นเพราะสิงหราคอยวันระแวงว่ายิ่งห่างไกลออกไปเท่าใดก็จะตกเป็นกำลังของอรชุนมากขึ้นเท่านั้นดารินหัวร้อหยันยัน อ, อ, อยู่ในลำคออา้าวก็ทั้งนั้นทำไมไม่แบ่งประเทศนี้ออกไปเป็นสองประเทศสะรู้แล้วรู้รอดสิงหราก็ปกครองสส่วนหนึ่ง อรชุนก็ปกครองอีกส่วนหนึ่งสิมันก็เป็นอยู่เช่นนี้มานานแล้วนะท่านเพียงแต่ว่าจะไม่มีใครพูดกันออกมาตามความจริงเท่านั้นก็เพราะการแบ่งแยกกันปกครองเช่นนี้แหละการรบราฆ่าฟันมันจึงเกิดขึ้นไม่รู้จักจบสิน้นคนมั่งข้างกับคนคิดที่จะกดขี่เป็นนายอยู่ในเขตเมือง คนยากคนจนคนถูกกดขี่ก็แยกย้ายกันอยู่ตามชนบทรอบนอกดารินหัวเราอีกครั้งชี้หน้ากุตมะลอ้อลอส่วนท่านก็เป็นฝ่ายมาั่งคั่งฝ่ายผู้กดขี่เช่นนั้นล่ะกระมังกุตมะก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะแก้ตัวหรือปฏิเสธรอกแม่นางและท่านรู้ไหม ว่าฝ่ายมั่งคังกับฝ่ายยากจนน่ะใครจะมีจำนวนมากกว่ากันฝ่ายยากจนย่อมมีจำนวนมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะแม่นางเพราะฉะนั้นท่านรู้อีกหรือไม่แล้วว่าถ้าเกิดสงครามสู้รบกันอย่างแท้จริงขึ้นฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะครานี้กุตมะไม่ตอบหล่อนจึงถามต่อไปคนละเรื่องว่าเอเมื่อครู่นี้รหัสสยาเข้าไปพบท่านเรื่องอันใด พอจะบอกเราได้ไหมถ้าหากไม่มีความลับระหว่างเรากับท่านมีข่าวที่ไม่ดีนักแม่นามีข่าวอะไรเหรอบอกได้ไหมกุตมะกองทหารที่ออกติดตามกองโจนเมยานีไปเมื่อเช้านี้จำนวนสามรอยมาปะทะกับกำลังโจนซึ่งเป็นทหารมาเช่นกันที่คอยดักล่าอยู่แล้ว เหลือรอดตายเพียงสามสิบคนเท่านั้นส่วนทหารมาอีกกองหนึ่งที่แยกออกไปทำการทำลายล้างราชดอนในจุดหมายต่างๆตามแต่รหัสสยะจะสัยย่งก็ทำงานไม่สำเร็จผลดังมุ่งหมายบางแห่งอพยพหนีบางแห่งมีกำลังโจรคอยดักซุ่มป้องกันและตีโต้จนต้องแตกพ่ายกลับมา รหัสเสียาำการครั้งนี้ด้วยโทรศัพท์และคิดว่ากำลังของตนน่ะเหนือกว่าแต่ายโจรทําการด้วยแผนและใช้ยุทธวิธีที่ฉลาดทั้งหลอกทั้งล่อแล้วทั้งลวงดารินเผือตัวตกมือหัวรอชอบใจมิเศษ จ, จริงให้มันได้ยังงี้สิเมยานีไม่เสียแรงเลยที่เกิดมาเป็นลูกสาวคนเดียวของอดีตขุนพลผู้กาลังจะ ก, กู้ชาติ ทั้งหมดหยุดพักกินอาหารกลางวันกันเมื่อตะ ว, วันเริ่มจะเบนบ่ายเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เคลื่อนขบวนต่อไปตามถนนสายที่มีผิวราบเรียบแน่นแต่สูงสูงต่างตําๆไปตามเนินเขาเหล่านั้นถนนซึ่งมีนามว่าถนนพระศิวะตามลายแทงของมังมหานรธาซึ่งบัด น, นี้พิสูจน์ชัดออกมาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมด ไม่มีอะไรเป็นมดเท็จหรือกุกขึ้นเลยครั้นแล้วระหว่างที่กองทัพทั้งหมดกําลังเดินอยู่ในหุบต่ําสุดของถนนที่ทําท่าเหมือนจะลาดลงไปสู่ก้นหลุมแล้วกําลังจะบ่ายหน้าขึ้นปลายถนนส่วนบนอันสูงลิฟกลางตะวันบ่ายอันสองจ้าเงาสะท้อนของอะไรชนิดหนึ่งก็ฉายวับไม้เห็นอยู่สองสาแวบในกลุ่มนายจ้างนั้นเชิดฐานเป็นคนตาไวที่สุด เขาเริ่มมองเห็นแล้วด้วยความแปลกใจและให้ความสนใจเป็นพิเศษเพรมันแวบเป็นครั้งที่สามที่สี่เขาก็เรียกรพินกชัยยันให้เข้ามาใกล้ส่วนดารินกมามเรียก็เคียงขนาบเข้ามารวมกลุ่มในทันทีนั้นที่มาของประกายแสงเป็นแห่งใดแห่งหนึ่งบนยอดเขาสูงลิบอันดักสกกดอยู่เบื้องหน้าซึ่งถนนสายนี้จะต้องผ่านไปบวกทหารหลวงของมรกรนครอาจสังเกตเห็นอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ไม่มีใครสนใจใส่ใจทั้งสิ้นทั้งรพินและชายันก็ไม่ได้ถามหรือแสดงท่าผิดสังเกตใดๆเช่นกันเมื่อเชิดาเรียกให้เข้ามาและบุยปากเป็นสัญญาณชี้บอกประมาณห้าวินาทีมันจะวาดมาครั้งหนึ่งเหมือนจะเป็นการเตือนให้เห็นซะก่อนไม่มีปัญหาแสงกระจกสองกะตะวันกล้ายามบ่ายแน่นอนแง้ทาย ดารินกายสั่นน้อยๆกระซิบออกมาเบาที่สุดทุกคนใจเต้นระทึกครั้นแล้วต่อมาอีกประมาณห6นาทีของการทดลองฉายแสงเหมือนจะเตื่นให้รู้สึกตัวก่อนนั้นรหัสมอสก็เริ่มส่งมาทันทีแงาสายเรียกผู้กองระพินและพวกเราทุกคนนั่นคือประโยคแรกที่ส่งมา และซ้ำซ้ำกันอยู่สารเที่ยวชายันควักสมุดบันทึกออกมาพร้อมปากกาส่งให้จอมพรานทันทีบอกเร็วหรือ <S <S คุณเตรียมจดเถอพผู้กองเชื่อว่าคุณอ่านรหัสได้คล่องกว่าผมจดให้ละเอียดที่สุดนะเพื่อพวกเราจะได้เห็นและอ่านกันออกหมดทุกคนโดยไม่ต้องมาคอยแปลด้วยวาจากันอยู่ทีละประโยคระพินไพรวันรับสมุดกระปากกามาโดยเร็วเตรียมจด ข้อความตามคําสั่งนั้นรับสัญญาณและขอให้รับทราบอย่างเดียวไม่ต้องตอบแง่ท า, ายปลอดภัยและอยู่ในกองทัพประชาชนแล้วขอ ให้พวกท่านเดินทางไปให้พบสิงหราเพื่อหาทางช่วยชีวิตนายชดและนานอินให้ออกมาได้ก่อนหากสิงหรา ถามถึงคนที่สิบสองยาปฏิเสธให้พวกท่านยอมรับว่ามาด้วยเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับชีวิตของ สองคนที่ท่านต้องการแงสายจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตนายชดและนันอินเป็นอันดัดแรก ขอให้ท่านรับทรา บ, บ, บไว้เพียงเท่านี้ก่อนข้อความเหล่านั้นส่งซ้ำมาสามเที่ยวแล้วก็ลับหายไปท่ามกลางความเขียวครึมและชะอุ่มลิบลของยอดเขาสูงเบื้องหน้าระพินชีข้อความที่จดแปลความหมายแล้วส่งไปให้เชิดถาดูเป็นคนแรก แล้วเวียนให้ดูกันต่อๆจนครบท้วนหมดทุกคนสีหน้าของแต่ละคนในขณะนี้ไม่มีใครบรรยายถูกมันเต็มไปได้วยความตื่นเต้นกระตือรือร้อนอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวคราวจากเจ้าคนที่สูญหายไปของคณะโดยไม่คาดฝันแต่ต่างก็พยายามจะบังคับกิริยาให้เป็นปกติตาเฝ้าจับงองไปยังทิศทางอันเป็นที่มาของแสงนั้นอยู่อีกครู่ใหญ่ แต่ก็ไม่เห็นสัญญาณใดๆส่งมาอีกเลยพวกรานพื้นเมืองเองทั้งหกคนก็ใช่ว่าจะไม่ระแคะระคายพวกนั้นสังเกตเห็นสัญญาณแสงกระจกสะท้อนเงากับพระอาทิตย์กันทุกคนและเฝ้าจับตามองแทบไม่กระพริบเพราะเคยรู้เรื่องสัญญาณแสงที่เคยใช้กันดีมาแล้วเพียงแต่ไม่อาจจะอ่านไดเท่านั้นบุญคำเดินรีเข้ามาสีเจ้านายของตน นายไอ้แง่ายใช่ไหมนายแกกระซิปเบาที่สุดใช่มันว่ายังไงมั่งนายแล้วทำไมทางเราถึงไม่ตอบสัญาญาณมาเลยละ่ะนายพรานใหญ่มีความจำเป็นจะต้องอธิบายให้คนของเขาฟังโดยเร็วถึงข้อความที่แง่ายส่งมากับเหตุผลที่ทางฝ่ายนี้ไม่อาจจะใช้สัญญาณชนิดเดียวกันตอบไปได้เพื่อกันสงสัยจากกองทหารหลวง โธก็มันรู้นี่ว่าตะขืนปล่อยให้นายส่งข่าวตอบนายคงด่าแม่มันมันเลยห้ามวายซะก่อนนะสินายบุญคำว่าแล้วเลี้ยงไปกระจายข่าวให้ฝ่ายพรานพื้นเมืองพวกตนรู้เรื่องกันทั้งหมดตามนโยบายของเชษฐาและรพินซึ่งไม่ต้องการปิดบงังคําแปลรหัสเป็นภาษาสากลจากรหัสระบบมอสนั้น ตกมาอยู่ในการใคร่ครวญพิจารณาของเชษฐาอีกครั้งขณะที่ทุกคนเดินกันไปอย่างเงียบๆอันพรางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นปกติไม่มีปัญหาเมื่อคืนนี้แงซทายส่งเมยานีเข้ามาดูพวกเราทุกคนในกระโจมพักแน่นอนและบ่ายวันนี้จึงได้ดักส่งข่าวบอกมาเขพุพูนพามาเหมือนจะกล่าวกับตนเองและเม้มริมฝีปากแน่นเดินกระทบไหลจอมพรานคู่ใจ กระซิบถามต่อมาว่านี่เป็นข้อความทั้งหมดที่เขาส่งมาเลยมีอะไรอีกไหมครับผมแปลอย่างละเอียดทุกถ้อยกระทงความแล้วละครับสัญญาณ น, นั้นส่งซ้ำข้อความเดิมตรงกันมาถึงสามครั้งไม่มีอะไรตกหล่นแน่นอนครับผมขอรับรองไงทร า, ายไม่ได้เอ่ยถึงไรเฟิรนหรือว่าถุระเบิดเลยเลยไม่ครับแลวผมเห็นว่าเขาไม่จาเป็นที่จะต้องเอ่ยด้วย เนซายไม่ต้องการจะส่งสัญญาณใดๆกับเราในข้อความที่ยืดยาวเกินไปรู้สึกว่าจะเขียนไว้ก่อนแล้วและส่งแสงสัญญาณมาตามนั้นข้อความจึงเหมือนกันโดยไม่มีอะไรขาดจะเกินเลยครับนี่กกองคุณคิดไหมกองทัพประชาชนหรือจะเรียกว่ากองโจรก็ตามทีเถอะกําลังดักเราอยู่บนหุบเขาข้างหน้าตามถนนที่เราบ่ายหน้าเดินขึ้นไปนี่แหละแล้วกองทัพหลวงนี่อาจถูกดักโจมตีซ้ําก็ได้ เชยันบุ้ยปากขึ้นไปแล้วรีตาถาันแต่ผมเชื่อว่าคงจะไม่นะครับถึงแม้จะมีกําลังซุ่มอยู่ก็อาจจะเฝ้าหลบตัวซ่อนดูอยู่เฉยๆเพราะถ้ามีการโจมตีแงซายก็ต้องเตือนเราเมื่อกี้นี้ให้ระวังตัวแล้วครับแต่คุณอย่าลืมนะที่เมื่อคือนะเขายังไม่ได้บอกให้เรารู้ตัวเลยขณะที่กองโจรภายใต้การควบคุมของเมยานีเข้ามาบุกอะ่ะ อดีตนายทหารปืนใหญ่ตั้งข้อคิดเชื่อผมนะครับคุณชายันไม่มีอะไรที่กองทัพโจนซึ่งดักอยู่ข้างหน้าต้องการจากกองทัพหลวงนีอีกแล้วละครับเพราะเมื่อคืนน่ะทำงานสำเร็จพร้อมกันถึงสองอย่างอย่างแรกส่งคนให้มาสังเกตดูวพวกเราอย่างที่สองเอาพวกโจนที่ถูกจับได้แหกหนีออกไปแล้วสำคัญที่สุดข้อความที่แงาซายส่งมาก็บอกชัดอยู่แล้วว่าให้เรานําไปเผชิญหน้ากษัตริย์สิงหรา เพื่อความปลอดภัยของเฉลย อ, อีกสองคนเพราะฉะนั้นจึงเชื่อแน่ได้ว่าเขาจะยังไม่ก่อกวนอะไรอีกทั้งสิ้นซึ่งจะมีแต่ผลเสียทางฝ่ายเราผมคิดว่าแงซสยทำได้ถูกต้องและรอบคอบที่สุดแล้วล่ะครับในทุกอย่างตลอดจนมีความเป็นมิตรที่ดีกับพวกเราทั้งหมดอยู่เหมือนเดิมโดยไม่ได้คิดจะเอาตัวรอดเอาผลประโยชน์เฉพาะตัวตามลาพังดารินมองหน้าผู้พู ด, พดแล้วยิ้มนิ ด, นด น, นี่ น, นานๆครั้งนะท่านถึงจะรู้สึกว่าพรานใหญ่รพินมองดูเจ้าลูกหาบแง่ า, ายในแง่ดีขึ้นบ้างแต่เชิดฐาแย่งน้องสาวเรียบๆว่าแต่เช่นนั้นน้อยก็เขาเองละที่รู้สึกเช่นนั้นเพราะสําหรับพี่นะรู้มานานแล้วว่าพรานใหญ่ของเราไม่เคยมองแง่ า, ายในแง่าร้ายเลยยกเว้นแต่เขาจะแ้งอำพรางไม่ให้เรารู้เท่านั้นคราวนี้น้องสาวเป็นฝ่ายงงบ้าง เอ๊แล้วทำไมพี่ใหญ่แน่ใจอย่างนั้นล่ะคะมันปักกษ์ศาสตร์นะน้อยเป็นความจริงที่มองเห็นอยู่ง่ายๆแล้วคนสองคนทันเหลี่ยมทันคูทันความคิดซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาถ้าน้ําใจของคนทั้งสองฝ่ายไม่ต่างเข้าถึงหรือนึกนิยมซึ่งกันและกันมอบความไว้วางใจให้แก่กันมาแต่แรกแล้วเชื่อเหอะก็จะร่วมทางกันมาได้โดยตลอดไม่ได้หรอก แต่ส่วนที่ทะเลาะบอแว้งหักเหลี่ยมหักคูนินทาหรือด่าว่าเรี่ยวกลาต่อกันบ้างนะ่ะมันเป็นแค่ละครฉากง่ายๆที่เขาแสดงให้เราทั้งหมดดูเท่านั้นแหละเชษฐาเปล่าปนยิม้มด้วยท่าทางปกติไม่มีอะไรจริงจังนะักระพินหน้าเจือนลงไปถนับเมื่อน้องสาวคนสวยของนายจ้างหันมาจ้องหน้าเขาอีกครั้งนี่ถังนั้นทั้งคุณและแงาสายก็เก่งมากสิ ที่หลอกพวกเรามาได้อย่างสนิทแทบทุกคนยกเว้นพี่ใหญ่เพียงคนเดียวที่ตามทันคุณหญิงครับผมไม่ได้เจตนาจะกระทำเช่นนั้นนะครับที่รับแงซ า, ายมาด้วยในครั้งนี้ก็เพราะเห็นว่าฝ่ายนายจ้างของผมทั้งหมดพอใจในลักษณะท่าทีของเขานายจ้างเป็นฝ่ายเลือกผมกะไม่ได้เลือกนะครับเดารายการเดินทางครั้งนี้เป็นของผมโดยตลอดผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าผมจะยอมเอาแงซ า, ายมาด้วยหรือเปล่า นี่นพินถามจริงอีกสักอย่างได้ไหมเชิญครับระหว่างที่พวกเราทุกคนนอนหลับสนิทกันในคืนนั้นซึ่งคุณเองก็อ้างว่าหลับไปด้วยอันเป็นตอนที่กองโจรเมยานีเอาคนมาดักรับแง่ายพร้อมทั้งขโมยปืนยาวกับวัตถุระเบิดของเราไปคุณหลับจริงๆไม่รู้เห็นเรื่องราวทั้งหลายหรือว่าตื่นและร่วมรู้เห็นกับแง่ายตลอดเวลาโถ่ หญิงไม่น่าจะสงสัยผมถึงขนาดนั้นเลยกระพินพูดเสียงลึกออกมาจากจริงใจก็แต่ผมตื่นอยู่ในขณนะนั้นน่ะใครจะมารับตัวแง่ยายเอาไปไหนถ้ารู้ว่าเขาจะไม่รับอันตรายผมก็คงจะไม่ขัดข้องแต่ผมจะไม่ยอมให้เขาขโมยสมบัติสำคัญของพวกเราไปเป็นอันขาดนะครับอ้าวคุณก็อาจจะนัดแนรู้ทันกันไว้ก่อนแล้วก็ได้นี่แวาแง่รกับพวกนั้นขุนปืนยาวกับวัตถุระเบิดไปสก่อน พระรุ่งเช้ากองทหารรหัสสยะจะต้องเข้าลอ้อมซึ่งเราก็อาจต่อสู้หรืออาจถูกยึดอาวุธเหล่านั้นซึ่งยินดีที่จะให้เอาหลบไปสะก่อนนี่นๆนี่นี่ น, น, นี่น้อยพระสงสัย่กันนิดเดียวก็เลยพานสงสัยตะลิดเปิดเปิงไปใหญ่ใช่นะแม่เธอนี่พี่ชายกล่าวขับขึ้นก่อนที่รัพพิงจะจำนนตต่อถ้อยคำนี่จะมัวแต่ต้อนรัพพินอยู่เลยนาะน้อยมาหารือกันดีกว่าว่า เมื่อเผชิญหน้ากสิงหาราและเมื่อถูกถามถึงคนที่12เราจะตอบยังไงดูมันค้านกันอยู่เป็นตรงข้ามนะระหว่างคําแนะนําของกุตมะกับคาแนะนําของแง่สายกุตมะนะบอกให้เรายืนยันอยู่นั่นเองว่าเรามากันเพียงแค่นี้ไม่มีใครอื่นมาอีกด้วยส่วนแง่สายกลับบอกให้เราสารภาพว่ามีคนที่12มาด้วยจริงเพื่อเป็นการต่อรองชีวิตคนของเราทั้งสองอแล้วเราจะตัดสินใจยังไง จะเชื่อกุตมะหรือเชื่อแง่สายคราวนี้ทุกคนเงียบไปนานทีเดียวทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกุตมะหรือแงาา่สายแสดงความปรารถนาดีต่อคณะทั้งหมดในคําพูดของแต่ละคนที่ตัดเตืนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขากลับพูดนักแนะกันไปเป็นตรงข้ามฝ่ายที่ได้รับฟังจะทํำยังไงดีจะเชื่อใครจะยึดถือเอาข้อแนะนําไหน เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยถ้าแงซายมาอยู่กับเราณที่นี้ด้วยเขาจะมีข้ออธิบายให้เราได้กระจ่างแจ้งกว่านี้ว่าข้อแนะนําของเขาที่ให้เราสารภาพไปตามจริงนั้นจะมีประโยชน์อะไรต่อฝ่ายเราบ้างแต่นี่ก็ใช้วิธีส่งข่าวบอกมาแค่สั้นๆและไม่เปิดโอกาสให้เราถามอะไรอีกเลยดารินบ่นเหมือนจะยำพึงกับตัวเองระหว่างนี้ มาเรียกชยยันหันไปพูดซุบซิบอะไรกันเองตามลำพังพักใหญ่ชยันจึงหันมาทางพักพวกทุกคนว่านี่ฉันกำเมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยอมสุดแล้วแต่สถานการณ์ที่เราเผชิญและใช้ไหวพริบกันซึ่งซึ่งหน้ามากกว่าที่จะมาตั้งเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ระเรียมอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะเรายังไม่อาจทราบได้ว่าสิงห์ราจะเล่นงานเรายังไงบ้าง คำแนะนำของกุตมาก็ตามหรือคำแนะนำของแงซทายก็ตามเรายังยึดถือเป็นหลักตายตัวไม่ได้ทั้งนั้นลประการแรกที่สำคัญที่สุดนะคะพี่ใหญ่เราจะต้องได้พบเห็นคนของเราสองคนที่สิงหรากักขังไว้เป็นเฉลยซะก่อนนะคะแม่มสาวกล่าวเสริมมาในทันทีถ้าสิงหรารู้แน่ว่าคนที่สิบสองก็คือจักรราชแห่งราชวงศ์เทพ ซึ่งจะกลับมาแปลกบทรราชเสียห น, นามแผ่นดินและแก้แค้นแทนประชนกชนนีเราสิบเอคนนี้ก็จะกลายเป็นพาหะที่นำตัวมหาศัตรูของสิงหราเข้ามาในมรกรนครเพราะฉะนั้นในสายตาของสิงหราและพรรคพวกของเขาแล้วเราคือตัวมหาประลัยเป็นเสนีย์กาลีแผ่นดินตามที่รหัสยะพูดครั้งแรกไม่มีผิดนั่นแหละเชตาเออ ย, อย่างครุ่นคิดนะั การที่แง่ทรายหลบหน้าหนีหายไปก่อนเป็นการช่วยยืดหรือประวิงเวลาชีวิตของพวกเราทุกคนให้ยาวไปอีกนั่นหมายถึงโอกาสแต่สำหรับคำที่แง่ทรายบอกมาด้วยประโยคว่าต่อรองอย่างไรในลักษณะไหนสิงห์ราไม่ต้องการตัวพวกเราทุกคนหรอกนะแต่เขาต้องการตัวจักรราชข้อนี้ทุกคนยอมรับไหมครับ ระพินฐามเปรยปยๆคืนทั้งหมดก้มศรีรษะครับแน่นอนและทีนี้จักรราศัตรูตัวสำคัญของเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มพวกเรา11บอคนนี้ด้วยสิงราก็ย่อมสงสัยเป็นธรรมดาวะ่ะหายไปไหนและต้องการจะแสวงหาให้ได้และควรจะคิดด้วยว่าที่จักรราษหายไปนั้นพวกเราควรจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนควรจะเป็นเช่นนี้ไมล่ะครับ ไม่มีใครปฏิเสธในแนวความคิดนั้นนอกจากพยักหน้าอีกครั้งและจ้องมาเป็นตาเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านพ้นกันมาแล้วด้วยความสําเร็จล้วนมาจากคําว่าสมมุติฐานทั้งสิ้นนะครับคือเราคาดการคาดคะเนกันไว้ก่อนเป็นการคาดคะเนออกไปในหลายแง่หลายมุมพร้อมทั้งหาทางป้องกันแก้ไขในแต่ละแง่มุมนั้นไว้ให้พร้อม มาครั้งนี้เราก็เห็นจะต้องตั้งสมมุติฐานกันอีกครั้งแล้วครับโดยจะไม่ให้พลาดไม่ได้เป็ น, นัันขัดจอมมักุเทศกล่าวหนักแน่นผู้กองผมเข้าใจความหมายของคุณท่านหัวหน้าคณะว่าและไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกเลยสิงหาจะต้องหาทางรีดเอากับพวกเราที่จะให้ได้มาหรือให้รู้ถึงคนที่สิบสองอย่างแน่นอน สิงหราต้องการตัวจักรราชแต่พวกเราต้องการตัวอนุชากรนันอินอันนี้ละมังครับที่แงาสายกล่าวว่าต่อรองแล้วเราจะต่อหรือรองยังไงล่ะคะพี่ใหญ่เราจะต่อโดยวิธียอมรับว่าเราจะส่งตัวจักรราชให้สิงหราและให้สิงหราปล่อยตัวพี่กลางกระนันอินให้เราพร้อมทั้งอนุญาตให้เราเดินทางกลับอย่างงั้นเหรอ แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องทำให้สิงหราเข้าใจว่าเรายอมรับหลักการนั้นหละเพื่อสองคนนั่นและพวกเราทั้งหมดปลอดภัยซะก่อนซึ่งนั่นพี่เชียวว่าเป็นความประสงค์ของแง่ทรายอยู่แล้วประธานโทษทุกท่านนะครับในฐานะพรานนำทางระพินไพรวันพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจนได้ยินไปทั่วทุกคนที่เดินรวมกลุ่มอยู่ใกล้ชิด ผมอยากจะเรียนถามคณะเจ้านายทุกท่านว่าถ้าความจาเป็นขีดสุดมาถึงพวกท่านจะตัดสินใจเลือกเอาอย่างไหนครับระหว่างชีวิตของคุณชายอนุชากระนานอินกับเจ้าคนใช้เก่าของเรานามว่าแง่ใส ซ, ซึ่งบัด น, นี้เรารู้กันแล้วว่าเป็นใครคนถามนี้ทําให้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเงียบกรกครั้นแล้ว ดารินก็เอ่ยตอบว่าเอาละระพินคำตอบนี้ฉันจะตอบเองเราจะเลือกไว้ทั้งหมดนั่นแหละคือพี่กลางนานอินและแง่ทายจะไม่ยอมให้เสียคนใดคนหนึ่งไปเลยแม้ว่าเราจะต้องทุกข์ยากหรือไปสู่ความพินาศเช่นไรไม่พูดถูกแล้วเราต้องการเช่นนั้นผู้กอบเชิดถาชยันเอ่ยขึ้นพร้อมกัน แต่มาเรียก็สอดถามมาโดยไม่คาดฝันว่าแล้วคุณละไพรวันคุณจะเลือกเอาอยัางไนรพินยิ้มออกมานิดหนึกงใชนิ้วเสยปีกหมวกที่หลบหน้าอยู่ให้เงยขึ้นเล็กน้อยผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกครับผมทำทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตของการที่ผมได้รับจ้างมาตามเงื่อนไขเท่านั้นการได้ตัวคุณชยัยอนุชาและนันอิงคืนและเรา ได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของเรานั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนาอย่างที่สุดเพราะเงื่อนไขสัญญาของผมมีอยู่เพียงแค่นั้นดารินก็ยิ้มเช่นกันเดินเข้ามาผลักอกเข้าเบาๆ บ, บอกว่าอะก็ถ้าเช่นนั้นก็แข็งใจทำหน้าที่ซึ่งได้รับจ้างไมรลุล่วงไปซะแล้วคุณก็จะเป็นอิสระไปได้สิ่งที่เราต้องการจากคุณก็เหลืออีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นแหละคือช่วยพี่กลางกนันอิน มาสู่อ้อมแขนของเราบริปลอดภัยหลังจากนั้นคุณก็เดินทางกลับได้แล้วส่วนพวกเราทั้งหมดบังเอิญมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติภายในมรกนณคอนี้อีกต่อไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างอะไรของคุณหน้าที่อะไรนะครับคุณหญิงก็ช่วยกองทัพประชาชนค้นล้างทราราชและระบบของมันเ้วอเชิญกษัตริย์อันแท้จริงของแผ่นดินนี้ขึ้นปกครองแผ่นดินให้ถูกต้องเสียร แล้วหล่อนก็ปั้นริมฝีปากผลัก อ, อกเขาอีกครั้งแตเดี๋ยวไล่กลับซะเดี๋ยวนี้เลยก็อยากจะกลับเหมือนกันละครับแต่บังเอิญว่าผมยังไม่ได้คิดบัญชีกับเจ้าแง่ทรายคนโปรดของคุณหญิงเรื่องที่มันขโมยปืนของเราไปอ่ะสองคนโต้เถียงกันอย่างจริงจริงจังจั ง, จงแต่คนอื่นๆหัวเราะเพราะชินและรู้ทันกันซะแล้วชั่วไม่นานนัก ขบวนกองทัพทั้งหมดก็เคลื่อนแถวอันยาวเหยียดขึ้นไปสู่ปลายเนินสูงลิฟอันเป็นตำแหน่งที่มาของแสงกระจกกระทบตะวันซึ่งแง่ซายส่งสัญญาณมายังคณะพักทุกคนเมื่อขึ้นไปถึงบนนั้นสองฝั่งถนนมาฮือมาซึ่งมีความกว้างเสมอกันมาโดยตลอดเงียบเชียบปราศจากวี่แววอะไรทั้งสิ้นทั้งสองด้านเป็นป่าไม้สูงและค่อนข้างทึบสูงชันขึ้นไปเต็มไปได้วยก้อนหิน และมีท้ำน้อยใหญ่สลับซับซ้อนจะเป็นภูมิประเทศหน้าเกรงอันตรายจากการดักจู่โจมเหนือกว่าทุกแห่งที่ผ่านกันมาแล้วณที่นี้เองทุกคนจึงได้เห็นค้าวของความเป็นนักยุทธศาสตร์ของรหัสสยะขึ้นมาบ้างโดยการสั่งให้กองทัพทั้งหมดซึ่งเดินกันมาเป็นขบวนอย่างเป็นระเบียบงดงามเหล่านั้นแยกกระจายห่างออกจากกาันทันที พวกทหารมาซึ่งเคลื่อนที่เร็วและเป็นหน่วยคุ้มกันแยกออกลาดระเวนขึ้นไปตามเนินเขาริมฝั่งถนนเพื่อทาหน้าที่ตรวจหาร่องรอยของศัตรูโดยไม่ประมาทเนินบริเวณ น, นี้นะเขาเรียกว่าประตูปีศาจอุตมะกระซิบบอกดารินขณะที่หลอนฉวยโอกาสกระโดดขึ้นไปนั่งบนเกวียน อ, อมแรงไว้อีกครั้งพร้อมกับมาเรียในขณะเดียวกัน สายตาของขุนพลเท่าผู้บาดเจ็บก็กวาดมองภูมิประเทศที่ทั้งสวยงามและน่ากลัวไปทั้งสองฝากฝังเป็นบริเวณที่กองโจรมักจะซุ่มดักโจมตีกองทหารหลวงอยู่เสมอเพราะภูมิประเทศได้เปรียบบางทีถ้ากำลังมากพอก็จะบกตะลุยลงปล้นไปตัดกลางขบวนเลยทีเดียว ถ้ากำลังไม่พอก็จะดักซุ่มยิงด้วยธนูลงมาราวกะหาฝนเพราะฉะนั้นกองทัพเมื่อผ่านบริเวณนี้จึงต้องระวังขอให้แม่หญิงทั้งสองจงไปบอกพวกของท่านทั้งหมดเถิดว่าให้ระวังภัยจากธนูไว้เพราะพวกท่านทุกคนไม่มีกรอบหรือโล่ที่จะใช้ปิดบ้องถ้าพวกนั้นรุมยิงประดังมาก็อาจจะถูกได้ ทั้งดารินและมารียก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้เองว่ากองทหารเดินทางทั้งหมดเปลี่ยนท่าทีการเดินออกไปจากปกติคือถือหอกเฉียงไปเบื้องหน้าในท่าพร้อมที่จะประจัญบานส่วนโล่อันทําด้วยหนังแห้งสลักลวดลายก็ถูกยกขึ้นป้องบังบริเวณรวง อ, อกและศีรษะไว้สุดแต่ว่าทหารแต่ละคนเหล่านั้นจะเดินอยู่ชิดป่าซี่ใดก็จะใช้ป้องบังไวทางด้านนั้น เป็นภาพที่ดูแปลกออกไปไม่มีใครเดินเชิดพึงวางท่าสง่าอยู่ได้เหมือนเดิมแม้กระทั่งรหัสยะผู้บัดนี้ควบมาอยู่ใจกลางที่ล้อมของทหารก็ยังถือโล่ติดแขนไว้ปากก็บัญชาการตะโกนอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ากองทัพจะเคลื่อนขบวนอย่างรวดเร็วผิดสังเกตเพื่อให้ทานพ้นบริเวณอันเป็นช่วงที่ยาวประมาณ2กิโลเมตรเศษนั้นไปโดยเร็ว แม้จะไม่สามารถมองเห็นหัวใจของฝ่ายทหารหลวงได้แต่ฝ่ายชเชลยทุกคนก็พอจะเดาถูกว่าทั้งกองทัพกําลังอยู่ในภาวะหายใจไม่ทั่วท้องธนูโจรทุกดอกไม่ใช่ธนูธรรมดาแต่เป็นธนูหัวอาบยาพิษทั้งสิ้นไม่ต้องถูกยางจังหรอกเพียงแค่สกิดผิวเท่านั้นทางรอดย่อมแทบจะไม่มีเลยความรู้สึกชนิดนี้ทําให้ฝ่ายทหารหลวงใจเสีย แม้จะคุมกําลังกันมามากมายสักเพียงใดก็ตามท่านจะแยกกระจายกันออกไปให้รัศมีห่างไกลกว่านี้ก็ทามไม่ได้เนื่องจากมีหน้าผาอันรกทึบสกัดกั้นอยู่จึงเหมือนถูกต้อนบีบบังคับให้เดินเข้าไปอยู่ในซองโดยตลอดมาเรียชงวกหน้าออกมาตะโกนบอกพรรคพวกทุกคนให้รู้ว่าขณะนี้กองทหารหลวงกาลังตกอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระวังภัยเช่นไร แล้วก็รีตายพักพวกของตนซึ่งแต่ละคนย่อมทราบดีแล้วว่าจะอย่างไรเสียกองโจรก็คงจะไม่ทำการโจมตีอย่างแน่นอนมาเรียนนั้นที่ตะโกนบอกพักพวกก็เพื่อซ้อนกลนกุตมะไม่ให้สงสัยเท่านั้นก่อนที่กองทัพทั้งหมดจะขึ้นมาถึงบนเนินนี้กุตมะกล่าวต่อไปมองหน้าดารินตาไม่กระพริบ ตอนนั้นเราสังเกตเห็นแสงประหลาดค ล, คล้ายๆกับแก้วกระทบกับตะวัน่องอยู่วูบวาบนยอดผานดแล้วเห็นพวกท่านทุกคนก็จับตามองกันอยู่อย่างตั้งใจเราก็เห็นนแสงวูบวาบที่ท่านบอกนี่แต่เราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นแสงอะไรดารินตอบหน้าตาเฉยอาการของหล่อนสนิทแนบเนียนที่สุด แววตาขุนมัวแต่เต็มไปด้วยแววฉลาดลึกนั่นเพ่งมาที่ฉเฉลยสาวเหมือนจะเค้นหาเอาความจริงออกมาให้ได้แต่ก็ไม่กล่าวเช่นไรอีกจริงตามที่คณะทุกคนคาดหมายกันไว้ทุกอย่างไม่มีการกระตกกระตากใดๆจากฝ่ายกองโจรหรือ ก, กองทัพประชาชนทั้งสิ้นพวกนั้นถ้าไม่เร้นตัวถอนออกจากที่มั่นไปแล้วก็คงจะสงบซ่อนดูกองทหารหลวง เคลื่อนขบวนผ่านกันไปอย่างระวังตัวแจโดยไม่ทำการใดๆขึ้นทั้งสิ้นและคงจะยึดอยู่ในที่สูงตามหลืบเขาด้านบนเกินกว่าที่หน่วยลาดระเวนกองมาของรหัสยะจะไต่ขึ้นไปได้ถึงเมื่อผ่านพ้นบริเวณหน้าผาซึ่งกุตมะบอกให้ทราบว่าเป็นประตูปีศาจลงมาได้แล้วด้วยความโล่งอกของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารหลวงหรือพวกเฉลย ภูมิประเทศสองฝั่งก็เป็นละเอื้อโปร่ ง, ปรงสลับไปกับที่ราบตามเดิมรหัศยะสั่งหยุดพักพลกินอาหารในเวลาชั่วครู่ก็เร่งการเดินทางต่อประมาณตั้งแต่บ่ายสองโมงลงไปโดยถนนสายเดิมเริ่มจะผ่านเข้าไปในเขตหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านซึ่งมีการก่อสร้างและผู้คนหนานแน่นมากขึ้นเหมือนเมืองเล็กๆประชาชนในหมู่บ้านเหล่านั้น ร้องต้อนรับกองทหารและออกมายืนเรียงรายอยู่สองริมฝั่งถนนและหน้าเคหะของตนแต่ละคนแต่ละเคหะมองดูก็เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกับหมู่บ้านชนบทห่างไกลของพวกเกษตรกรหรือพวกทำไร่ปลายเขตแดนมากเพราะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่อยู่พร้อมทั้งเครื่องประดับตลอดจนสีหน้าย่อมจะบอกถึงฐานะแห่งการอยู่ดีกินดี และกองทหารของรหัสสยะก็โบอกอาวุธตอบด้วยอาการอันยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความเป็นมิตรไม่ได้ตรงเข้าเข็นฆ่าทำลายหรือกระทาตัวเป็นศัต ร, รูอย่างใดทั้งสิ้นฝ่ายเฉลยทั้งหมดพากันรอบส ก, กิดให้สังเกตดูเมื่อเวลาล่วงบายเข้าไปเท่าใดถนนสายนั้นก็ใกล้เขตย่านชุมชนเข้าไปทุกขณะป่าสองฝั่งซึ่งบางทีอาจมีเห็นอยู่บ้างก็เป็นป่าของไม้ ประเภทที่ปลูกไว้ในอุทยานมากกว่าจะเป็นไม้ป่าดงดิบตลอดจนอื่นๆที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติที่เจริญแล้วเริ่มจะมองเห็นหนาตาขึ้นทุกทีจากถนนขนาดย่อมๆหลายต่อหลายสายที่แยกเป็นสาขาออกไปจากถนนสายสำคัญเมื่อใกล้เขตชุมชนเหล่านั้นเข้ามาใครเฉลยทุกคนเริ่มจะตระหนักถึงการเหยียบย่างเข้าสู่บริเวณ อันเรียกว่าชาญพระนครทำให้แน่ใจว่าใกล้ใจกลางอาณาจักรเข้าไปทุกขณะแล้วผู้คนมาลาและเกวียนเริ่มจะเห็นสัญจรอยู่ไปมาตามบริเวณถนนเหล่านั้นและหลีกลบลงข้างทางเพื่อเปิดทางให้แกกองทหารของอุปราชพระอนุชาซึ่งเคลื่อนผ่านไปอย่างคึกคักเยี่ยมหันตรงตามที่กุตมะเคยบอกไว ประชาชนหรือราษฎรในละแวกใกล้เคียงกับตัวเมืองเหล่านี้จะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามจัดได้ว่าเป็นพลลมือดีของฝ่ายปกครองและอยู่นอกเหนือทิศทางแห่งการมุ่งคมเหงคนเนงรายเข่นฆ่าราวีของกษัตริย์สิงหรากับคนของเขาคณะของเชษฐาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรพินผู้รับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนใช้ความสังเกตสภาพความเป็นไปเหล่านั้นอย่างละเอียดที่ถ้วนอย่างที่สุด เขาไม่คาดฝันมาก่อนวันนครหลวงสำรวจแห่งนี้จะมีประชากรที่ดูอบอุ่นคับข้างถึงเพียงนี้ร่องรอยของมันบอกให้ทราบชัดว่าเป็นอาณาจักรใหญ่ทั้งอาณาจักรทีเดียวหาใช่ชนกลุ่มน้อยเพียงเผ่าใดเผ่าหนึ่งเท่านั้นไหมดารินและมาเรียก็ซุบซิบหารือกันไปตลอดทางบนเกวียนของกุตมะและชวนแกคุยบ้างในบางโอกาสแต่ก็พยายามจะคุยให้เป็นเรื่องสนุก มากกว่าจะให้แกรู้ว่าเป็นเจตนาสอบถามออกความจริงส่วนเชษากะชัยันสองสหายร่วมตายก็เดินวางแผนกำหนดทางหนีที่ล่กันไปตลอดเวลาไม่นานต่อมาก็ถึงทางแยกสำคัญดูจะผิดไปจากทางสายเล็กสายน้อยอื่นๆที่ผ่านมาแล้วถนนใหญ่สายยาวเหยียดที่อาศัยเดินกันมาตลอดอันมีนามว่าถนนพระศิวะส่วนหนึ่ง แยกเลี้ยวโค้งไปทางด้านซ้ายผ่านไปตามหมู่บ้านและทุ่งนาซึ่งมีเห็นอยู่เป็นหย่อมหย่อมส่วนอีกด้านหนึ่งปัดตรงดิ่งเข้าสูข่ขุนเขาใหญ่ที่มองเห็นขวางลิบลอยู่เบื้องหน้าเป็นภูเขาที่แทบจะเรียกได้ว่าหินล้วนๆสองฝั่งริมทางไม่มีหมู่บ้านหรือผู้คนเลยดูเหมือนจะเจตนาปล่อยทิ้งไว้ให้เปลี่ยวเปล่าสันโดดกองทัพ นำขบวนแยกไปทางซ้ายมือระพินไพรวันะลอฝีเท้าเข้ามาชิดเชตถาและชยันกระเซิกว่าคุณชายครับเรากำลังใบหน้าเข้าเมืองแล้วนะครับจากหัวมุมแยกของถนนสายนี้ส่วนสายที่ตรงดิ่งไปสู่ภูเขาลูกนั้นถ้าทายไม่ผิดผมคิดว่าคือมหาปราศาทของพระอุมาเทวีที่ซ่อนของขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ เชตฐาดึงกล้องสองทางไกลออกมาส่องสำรวจไปยังภูเขาลูกนั้นอย่างพินิษผูภูเขาหินมีไม้พุ่มขึ้นปกคลุมอยู่บ้างปรปกายระยะห่างจากที่นี่อยู่ในระหว่าง 20-25 ถึงกิโลเมตรนะผูก้กองแล้วเขาก็ส่งกล้องให้รพินแต่จอมพลานอย่างเขาไม่จำเป็นเพราะย่อมจะคํานวณได้ด้วยสายตาเปล่าอยู่แล้วจึงผ่านกล้องไปชัยยันผู้รับไปพินิษ ด, ดูอยู่เป็นนาน ภาพมันกินตาเหลือเกินนะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ยกใกล้ๆตรงหน้าเรานี่เองถ้างั้นมันก็น่าจะตรงกับข้อความในลายแทงของมังมหานราาแล้วนะในประโยคที่เขาบอกว่าให้ใช้เวลาเดินประมาณสามวันจากหัวถนนพระศิวะที่ค้นพบจากการไต่ถันพระอุมาขึ้นก็จะบรรลุถึงตัวมหาปราสาทแต่ก็ไม่เห็นบอกให้ชัดเจนออกไปว่ามหาสมบัตินัซุกซ่อนอยู่ตรงไหน ถ้าตีนเขาลูกนั้นเป็นมหาปราศาสตร์หรือเทวสถานจริงและมหาสมบัติซ่อนอยู่ในมหาปราศาทตร์นั้นป่านนี้ชาวมรกรนครทั้งหลายก็คงจะขโมยกันไปเป็นสมบัติส่วนตูกันหมดแล้วทุกคนที่นี่เขาไม่สนใจประโยคสุดท้ายชัยยันอดจะพูดให้เป็นแง่ขันไม่ได้ภายในกุเะหว่างกุตมะกับดารินและมาเรีย ก็ได้ตั้งปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นแล้วเหมือนกันเมื่อกองทัพเริ่มใบหน้าไปทางถนนซีไซอุตมะได้ตอบว่าแม่นางมหาสมบัติอันเป็นเพชรหนิ่งจินดาอัญมณีและทองอาจมีค่าสำหรับพวกท่านแต่มันหาค่าใดๆ ไ, ไม่ได้สำหรับชาวมรกกนาครแล้วอีกประการหนึ่ง พวกเราทุกคนถือว่ามันเป็นสมบัติของเทพเจ้าจึงไม่มีใครคิดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ต้องมีแต่คนต่างถิ่นเท่านั้นที่บายหน้ากันนาเพื่อจะขนออกไปสู่โลกภายนอกแต่เขาลืมคิดลืมคิดไปว่าแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองที่จะนำกลับคืนไปนั้นก็ยังไม่อาจรอดไป แล้วจะแปกขนมหาสมบัติเหล่านั้นไปตัวไปได้อย่างไรมาเรียมองตาดารินเหมือนจะบอกว่าตาแก่คนนี้นี่แกช่างพูดจาเป็นปรัชญาเสนิกระไรเราเห็นด้วยกับท่านกุตมะแต่ท่านก็ควรจะรู้นี่ว่าไม่มีไฟกองใดในหูงจากกลวานนี้จะยิ่งใหญ่ร้อนแรงไปกว่าไฟกิเลส ไฟแห่งความโลภโมโทสันของมนุษย์ดูแต่กษัตริย์สิงหราของท่านเป็นตัวอย่างสิเป็นถึงมหาหมนตรีก็มีอํานาจยิ่งใหญ่พอเพียงอยู่แล้วแต่เขาก็ยังหาหยุดอยู่แค่นั้นไม่เขาต้องการขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์แห่งมรกรานครจนถึงกกล้าทําการโค่นล้มราชวงศ์เดิมนี่ไม่ใช่เพราะความโลภไม่ใช่เพราะกิเลสหรอกแล้ ว, ลวอดีตขุนพลขวาของวองิษณุพรหมนาถนิ่งขึงไป มาเรียกล่าวถามต่อไปว่าพวกเรานะ่สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนคร น, นี้และที่พวกเราเองเคารพนับถือเอาไว้แล้วล่ะว่าจะไม่แตะต้องทรัพสมบัติใดๆในแผ่นดินนี้เลยนอกจากจะมาเพื่อเอาคนของเราคืนเท่านั้นแต่ก็อยากจะขอทราบไว้เพื่อระดับความรู้เท่านั้นนะท่านพอจะบอกแกเราได้หรือไม่ล่ะเกี่ยวกับเพชรพระอุมา แม่จิงทั้งสองใต้หน้าผาของคุนเขาหินใหญ่นั้นเป็นเทวลายลางซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงของชาวมรกกนครทั่วไปทุกผู้ทุกหนาบพร้อมกับกล่าวอุตมะชี้มือออกไปยังยอดเขาสูงลูกนั้นกล่าวช้ า, ชา ภายในเทวไลเป็นที่สถิตของเทวรูปของพระอุมาเทวีในทุกรอบหนึ่งปีกษัตริย์ข้าราชบริพารและประชาชนทั้งหลายจะไปทำพิธีบวงสวงนมัสการเทวรูปณนะคืนหนึ่งที่พระจัน์เต็มดวงจะมีการเรืองระบำรำฟ้อนข้าสัตว์บูชายัญ พิธีนี้จะเริ่มขึ้นแต่รุ่งอารมณ์ติดต่อกันไปจนกระทั่งบรรจบกับรุ่งอารมณ์ของอีกวันหนึ่งจากนั้นทุกคนก็จะกลับกันหมดปล่อยให้เทวลลาลร้างอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครบังอาจกล้ากลายเข้าไปจุ่มเกี่ยวด้วยแม้แต่ถนนสายที่จะนำไปสู่เทวลลาลนี้ท่านก็จงสังเกตเธอ ว่าไม่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่เลยเบื้องหลังเทวไลนี้มีถ้ำลับอยู่ท้ำหนึ่งปิดนสนิทด้วยหินก้อนมหึือมาทุกสมัยมาแล้วผู้ที่จะรู้ความลับเปิดปากถ้ำนี้ออกได้ก็จะมีเพียงสองคนเท่านั้นคือพระแม่เจ้าวาจิกาและกษัตริย์ ผู้ครองบลังภายในถ้นกว้างใหญ่จับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งน่ะเป็นสุสานสำหรับเก็บพระศพของอดีตกษัตริย์แห่งมรกรนครกษัตริย์องค์ใดสิ้นพระชนงก็จะถูกนำไปบรรจุไว้ในสุสานนั้นอีกส่วนหนึ่งเป็นท้องพระคลังเต็งไปด้วยเพชรนิงจินดา แค่แหวนเงินทองอันมีค่ะแม้ท่านจะเอาเกวียนมาบรรทุกสักหนึ่งร้อยเล่มเกวียนก็คงไม่หมดสิน้นแล้วกุตมะก็หัวเราะออกมาแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงเยาะหยันทันดกิบมูเทอร์อย่าว่าแต่จะขนไปเลยเราเชื่อแนว่ว่าเพียงท่านได้มองเห็นสิ่งของเหล่านั้น ก็คงจะทำอะไรไม่ถูกซะแล้วและแม่จะขนไปได้ก็คงจะขนมันไปไม่ได้ไกลนักน้ำสักหยดหนึ่งหรืออาหารสักมือหนึ่งในหนทางขั้นหน้กก่อนที่ท่านจะสมซานกลับไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของท่านย่อมมีค่าต่อชีวิตของท่านมากสะยิ่งกว่าที่ท่าน จะแบกหามของเหล่านี้ไปซะอีกกุตมะเรื่องนี้นะ่ะเราเข้าใจมานานแล้วละ่ะและถ้าพวกเราไม่ใช่พวกที่ปลงตกปราศจากซึ่งความละโมบแล้วเราก็จะไม่สามารถเปิดพรมแดนเหยียบย่างผ่านเข้ามาในอาณาจักรมรกฎนครของท่านได้แน่นอนเราบอกแล้วว่าเราเพียงแค่ถามดูเพื่อประดับความรู้เท่านั้น ไม่ได้มาช่อกงลักขโมยมหาสมบัติเทพเจ้าของพวกท่านรอกก็เป็นอันว่าในถ้าอันเปรียบเสมือนสุสานของกษัตริย์มรกกนครซึ่งอยู่เบื้องหลังเทวไลนั่นเองคือแหล่งเก็บซ่อนมหาสมบัติเช่นนั้นใช่ไหมใช่แล้วแม่หญิงและท่านเคยเข้าไปเห็นมหาสมบัตินั้นด้วยตาตนเองแล้วหรือไม่ ในชีวิตเราซึ่งชราจนป่านนี้ก็ยังหาเคยที่จะล่วงล้ำเข้าไปในถ้มสุสานหลังเทวไลไม่แต่บิดาของเราซึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นข้าใกล้จิตกับกษัตริย์ราชวงศ์เทพได้ไปเห็นมาแล้วและได้นำมาเล่าให้เราซึ่งขณะนั้นยังเยาว์อยู่ ที่บิดาของเราได้มีโอกาสเข้าไปในถ้ำสุสานแห่ง น, นั้นก็เหนื่อมาจากกษัตริย์สวามิตรนาไราอันเป็นพระราชบิดาของวิษณุพรหมนาฏสวรรคตลงพระศพถูกอัญเชิญเข้าไปเก็บไว้ในสุสานบิดาเราได้ร่วมขบวนเข้าไปในราชพิธีเก็บพระศพนั้นด้วยจึงมีโอกาสได้เห็น อ๋อแล้วสมัยมูวิศนุพรมหมนาถูกขบถูกปรงพระชนพระศบไปอยู่ที่ไหนล่ะดารินถามเร็วเปลือกอุตมะถอนใจยาวไม่จริงท่านก็น่าจะตระหนักได้อยู่แล้วนี่ขบถบหรือจะให้เกียรติกับเจ้านายเก่าของตนเองซึ่งตนได้ทรยศเข็นข้าลง พระศบของกษัตริย์ราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายน่ะจะเป็นยังไงเราไม่เห็นหรอกเพราะหลีกเลี่ยงไปเสียให้ห่างมาทราบภายหลังว่าสิงหาราสั่งให้เผาเป็นเท่าไปเช่นเดียวกับการเผาซากสัตว์ตายธรรมดากลางพื้นปัตถพีโทดาริงครางออกมาโดยไม่รู้ตัวหน้าสลดลง หลอนหวนิดไปถึงใบหน้าของใครคนหนึ่งในทันทีนั้นด้วยความเมตตาสงสารจับใจใบหน้าคมสันเศร้าสงบของอดีตคนใช้ของหล่อนนั่นเองมารีโกถามต่อมาโดยไม่ยอมให้ขัดจังหวะว่าเออแล้วตั้งแต่กริย์ใหม่สิงหาาขึ้นครองราชก็ไม่เคยเปิดสุสานแห่งนั้นเข้าไปอีกเลยเหรอตลอดระยะเวลา20สปีที่ผ่านมานะ่ะ เคยเลยแม่หญิงผมทองการเปิดสุสานแห่งนั้นน่ะถือเป็นลางร้ายอย่างมาหันของกษัตริย์ทุกองค์ที่ครองราชเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องมีการนำพระศพของกษัตริย์หรือราชวงศ์ไม่องค์ใดก็องค์หนึง่งเข้าไปบรรจุไว้สิงหราอยังไม่ต้องการให้ตัวเองหรือญาติวงเข้าไปเป็นเท พ, พเจ้าอยู่ในนั้น สิงหราหรือญาติวงของเขาไม่มีเกียรติพอที่จะเข้าไปสถิตอยู่ในสุสานนั้นหรอกไม่ต้องห่วงเสียงหนึ่งกล่าวแท้ขึ้นอย่างกระทันหันจนอีกสามคนซึ่งกำลังคุยกันอยู่หันขวับมามองก็เห็นใบหน้าของเชษฐาปรากฏชงโงกอยู่ทางด้านหลังเกวียน